จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรษิษัทผู้ฝ่ายทรรทุกๆท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบกันท้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีนภาวนาเช่นเคยเราก็จะไปที่เด็กๆ ก, ก่อนแต่วันนี้ไปที่เด็กนักคูณเด็กชายนักคุณ แตมาสักค่ะอ่าย้ายโรงเรียนด้วยป่ามานี่ย้ายค่ะย้ายเลยอ่ามาเรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นนะมาเรียนค่ะเป็นโรงเรียนอังกฤษญี่ปุ่นค่ะอืมติดต่อเรียบร้แล้วเขาก็ได้นะค่ะอาจารย์อืมมีอยากถานการศึกษาอ่าอืมมีอะไรไหม ม ไ, มไม่มีครับไม่มีครับเจ้าคุณจะถามอะไรแค่หนึ่งอยอาว่าทำไมพระต้องนอนเตียงแข็ง ๆ, ๆอ๋อจะได้นอนได้น้อยไงนอนไม่มากนอนมากไม่ดีนอนมากเป็นหมูอยากเป็นหมูไหมอยากเป็นหมูไหมครับใช่ครัพระอาจารย์าถามนาูว่าหนูอยากเป็นหมูไหมครัพระอาจารย์บอก น, น, น, นอนมากๆเราจะกินมากๆเราจะอ้วนเหมือนเหมือนหมูไย วนไม่ดีพรต้องผอป็นงัะดีเข้าใจหมเข้าใจไหมครับโอเคยงมีคำถามวันนี้จะจะไม่มีคาถามพ่อมากราอาจารย์เฉยๆทุกหมดคาถามแลงครับหมดแล้วครับโอเคครับงั้นกลับละพระอาจารย์เป็นเด็กดีนะครับไม่ซนไม่ดื้อนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับพระอาจารย์ได้ครับโอเคนอนหลับฝันดีจ้ สาธุค่ะพระอาจารย์ใชปฏิบัติทุกวันค่ะอเนี่อาจารย์แม่จันที่มาส่งการบ้านนะหลับนะมาสการพระาอาจารย์ครับอาทิตย์นี้จะมาส่งเป็นบ้านเช่นเคยครับอ่สองอ่งมาเลยครับเรามีความแก่เป็นธรรมดา จ, จะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เร า, ววามตายเป็นธรรมดา <purely> จะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเปต่างๆคือว่าเราจะต้องรับผ้าจับของรักขอ ง, ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอะไรไว้เป็นคณหรือเป็นบาบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นมันเสียไปเร า, เราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดปิจารณาเพื่อให้ยอมรับความจริงนะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมรับความจริงไนดะ้ใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมรับความจริงใจก็จะทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา พยายามอย่าไปยึดไปติดดูแลไปใช้ประโยชน์ไปแต่เมื่อถึงเวลาต้องเป็นไปก็ปล่อยให้เป็นไปจิตใจจะไม่เศร้าโศกเสียใจยไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วก็ดูว่าร่างกายนี้มันไม่มีอะไรหรอกนอกจากอาการสาีสองเช่นมีผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเมาหัวใจตับทั้งผึ่ไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีสันน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำแข็งข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็งข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนี้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลตน้ำดีเยื่ในสองสีส้ะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดใตทางผิดตับหัวใจม้าเยื่อในกระดูก กระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนะอาการเหล่านี้มีเราอยู่ตรงไหนบ้างกรืเปล่าไม่ไม่มีครับอ่าอ่านี่เป็นแต่อาการนะทำมาจากดินน้ำลงไฟเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องสลายไปกลับเกินสู่ดินน้ำลงไฟคับอืม อยาชอบไม่ชอบจะยินดีไม่ยินดีก็ห้ามมันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามความเป็นจริงรถ้าเรายินดีปล่อยให้มันเป็นไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะทุกข์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะมีอะไรคาถามอะไรไหมไม่มีครับเงินก็ฝ่ายที่น้องพีต่อกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับน้องพีมีอะไร ตามมาตการค่ะท่องในไม่อาก า, าร32คนท่องนี้ต้องท้องได้ทุกคนใอ่ bien. เราท่องดูนะแลวหลวงพออ่อจะให้ท่องดูทำ ง, งาไ <ห ả? S 1> นไหมค่ะเวลาที่เขาท่องเราท่องต่างเข้าไป ที่อยาจะรู้จักตัวเราเองอะตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ใช่ไหมเราไม่ใช่น้องพีเราน้องพีเราตั้งชื่อขึ้นมาโกโก้นั้งเองแต่ตัวเรา จ, จริงๆก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีอะไรไหมวันนี้ <c oughs> แล้วขอถามลูกตาว่าถ้าตอนคือตอนตอนที่หนูไม่สบายหนูอยู่คนเดียวหนูเหงามากครับบัดหนูแ้่บอกให้หนูสวดมนต์แล้วก็พุดโทตลอดเวลาบางทีก็หายเหงาบางบางทีบางทีก็ไม่สำเร็จค่ะ ไม่สำเร็จก็เราไม่สวดต่อสิ <c oughs> ต้องสวดไปจนกว่าจะสําเร็จถ้าไม่สําเร็จก็หยุดอย่าหยุดสวดเหมือนกินข้าวถ้ากินยังไม่อิ่มก็กินไปเรื่อยๆเอ <c oughs> <c oughs> ็นไปเรื่อยๆว้าอิ่มพออิ่มก็หยุดกินได้ครั <c oughs> นะพุโทโธนี้จะทําให้ใจเราอิ่มทาให้ใจเรามีความสุขเราจะทําให้เราไม่รู้สึกเหงาเพราะฉะนั้นอย่าหยุดอย่าขี้เกียจ น, นะ เมื่อขีเกีจแล้วก็จะัเหนาะจะทุกข์เมยันพุโทโธพุโทโธขยันสวดมนต์เดี๋ยวก็หายทุกข์หายหเหนาแล้วก็จะมีความสุขเข้าใจไหมครับมีอะไรไหมไม่มีรครับโอเคพี่แม่มีแล้วเปล่ามีเจ้าค่ะเา่าออมาค่ะอตอนเวลาที่หนูปฏิบัตินะคะหนูจะเข้าใจว่าการที่เรา อาจจะหลุดพ้นนะคะจากวัฏสงสารเนี่ยเจ้าค่ะว่าเราจะได้ไปเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าจะต้องตัดสั่งโยธาให้ได้ก่อนแต่สองข้อแรกก็ทําได้นะคะคือเข้าใจดีอัตตาในการยึดตัว ย, ยึดตนเนี่ยค่ะหลงพ่อบางทีมันทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างมันก็รู้สึกเกิดความทุกข์เพราะว่าคือเราอาจจะแบบว่าใจเราไปไปจดจ่อที่แบบ คืออยากจะทําให้ได้แล้วไม่อยากมาเวนไนว้ายใเกิดอีกแล้วเพราะว่าเห็นทุกอย่างคือมันเป็นทุกข์ไปหมดเลยค่ะหลวพ่อมันบางทีหนูก็เครียดก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงดีค่ะก็พยายามฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็สวมดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองเงียบๆมันก็อยู่ได้ค่ะแต่พออ่าเจอลูกอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบว่า มันก็จะมีอะไรที่ทําให้เราแบบเวียนเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาก็ไปลงว่าเขาเป็นลูกหรอนเขาเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเขาเป็นอาการ32เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศพอเราอยากใช้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ทําให้เราเครียดขึ้นมาค่ะ<ห>เราต้องเข้าใจว่าไม้จะเป็นยังไงเราก็ห้ามขอไม่ได้เราสอนได้ก็สอนไปห้ามได้ก็ห้ามไป แต่ถ้าแทงเวลาห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยก็เป็นไปตามเนี่ของเขาก็าพยายามเวลาก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยกราไปห้ามเขาได้เปล่าห้ามไม่ได้ค่ะเราไม่มองให้เห็นเขาก็เป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเขาเป็นตัวตนเราไม่หมองเขาเป็นธรรมชาติหนึ่เหมือนดินฟ้าอากาศไม่มีตัวตนเข้าใจไหมอย่างนี้อย่างนี้ยังละไม่ได้เข้าใจเปล่า นั้นน่าเพลงแต่ความคิดพอเจอของจริงเจอข้อสอบก็สอบตกใช่สอบตก<ม>บ่อยอ่ะ<ม>สอบตกจริงๆค่ะหลวพ่อมันก็พยายามที่อยากจะทําให้ได้นะคะหลวพ่อเพราะว่าส่วนถึงนอกขานสมาธิใจไม่มีสมาธิไม่มีกาลังที่จะหยุด ต, ตัวเองไม่ไปยึดติดก็บางทีดูไปค่ะดูเสร็จแล้วก็เงียบก็พยายามจะปล่อยวาง พยายามค่อยๆทำอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้ทำได้ได้ไดทำไปเรื่อยๆตัวเขาด้วยแล้วตัวเราด้วยร่างกายแล้วก็เหมืนร่างกายของเขาต้องปล่อยทุกอย่างต้องปล่อยทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหรือว่าพยายามคิดอยู่เสมอเวลามีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะนุต่อว่าเออว่าทุกอย่างมันก็เป็นของสมมติ แล้วก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็เห็นการเกิดแก่เจ็บตายมาเยอะมากค่ะโดยเฉพาะแบบญาติที่ใกล้ตัวคนที่คนที่รักคหาติดติดกันบางทีทําให้หนูมีความรู้สึกหนูเห็นแล้วหนูมีความรู้สึกไม่ไม่อยากเกิดอีกเลยแล้วก็อ่าคิดว่าตัวเองจะทําอย่างไรดีที่จะให้ ให้ตัดตรงนี้ให้ได้ก็คืออย่า ง, างที่ทำสมาธิอย่างที่บอกกินไม่มีกวามสุมากขึ้นใช่ไหมค่ะยั้จิไม่มีอุบเบกขาตันไม่ได้อโอเคนะค่ะขอบพระคุณเจ้าท่าน<อ>สาธุออกไปที่ฮอลแลนด์ตะวันในชายตะวันเป็นยังไงครับสอบนับ่งสมาพัน์สมาพัฒนอืม มีอะไรไหม uh, วันนี้มีสังคาต่างๆอ่ามาามั้ยพ um, ระอารหันต์มีกิเลสมั้ยไม่มีผ้าละหันก็คนระสิ้นกิเลนเขาเรียกว่าผ้าละหันถ้ายังมีกิเลนอยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นผ้าอะหันอ่าข้อที่สองแ um, บคทีรอแบคทีเรียมีเอ uh, จิตไหม ไม่มีแบัทีเรียไม่มีตาหูจมูกจิตต้องจิตจะมาก่อแต่ร่างกายที่มีตาหูจมูกนใิ่งกายข้อที่สามไม่มีครับไม่มีมีแค่สองข้อเลยใช่ไหมอืนอเป็นยังไงสบายใจไหมสบายใจค่ะอืม กินยาฆ่าแบคทีเรียไม่บาปนะวาใหญ่ไหมเพาไม่มีไม่มีดวงวิญญาณก็าามาครอบครองแต่ถ้าไปฆ่ า, ายุงเนี่ยบาปเพราะยุงมีตาหูมีหูนิ้วกายมีดวงวิญญาณเข้าใหญ่ไหมใช่ค่ะมแม่มีอะไรบ้าง ไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมตอนนี้ก็ปฏิบัติอ่จะเน้นเรื่องเรื่องตัวม้ากายนะเาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฝึกทําลายไปเรื่อยๆนะคะะอาจารย์พยายามทำลายตัวกิเลสที่ไปรับปไปชอบไปยึดไปติดตอนนี้ต่อม้ากายนี้เพื่อเห็นว่ามันไม่มีอะไรน่ายึดติดนะพระอาจารย์ก็เพิ่มยาแรงเข้าไปด้วยสจาค่ะพระอาจารย์ เพิ่ยาเราฝึก่งข่าภาษาอังก็ฝึกแล้วก็ละความเออ่ตัวโทรศั์นะเส้าขพระอาจารย์อย่างเช่นว่าเวลาไปข้างนอกแบบนี้ค่ะมันมีแบบเดี๋ยวต้องสั่งสอนซะหน่อยก็พยายามฝึกให้เป็นมองให้ตัวเองว่ามันไม่ต้องไปชนะเขาให้ชนะตัวอย่างเป็นธรรมชาติตัวอย่างเป็นดินฟ้าอากาศเรายังไปชนะดินฟ้าอากาศทำไมมันได้ไปอยู่ชน์ ชนะเขาไม่ได้หรอกเดินค ข, ขากายต้องเนื้อเราลงก็จะพัดจ้องข้าพัดน้ําจะท่วมเขาก็ท่วมคนใจทําอะไรแล้วก็ไปห้ามก็ไม่ได้อาจจะห้ามได้บางครัง้งบางคราวบางคนแต่อย่าไปคิดว่าห้ามได้ทุกครั้งไปพอทําทไม่ได้ก็จะโกรธจะเสียใจ พอเห็นเพตีที uh, ند, ่เดือดก็ให้ความเมตตาดีกว่าถพระอาจารย์ใครเขาทำอะไรก็เป็นกรรมของเขาเห็นคนเห็คนเห็นกัจจวัตรมันชอบขึ้นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เราเห็นกัจจวัตเขาก็เขาก็รับผลของกรามเห็นกัจจัตรของเขาก็พระอาจารย์จะพัคือโยมก็มาฝึกตรงที่ว่าคือรู้ว่ามันเป็นเหมือนกับว่า อ, อคือโ ย, ยงพยายามฝึกลหลายๆวิธีนะคะพระอาจารย์พยายว่ามองเออข้างในก็อาจจะเป็นเหมือนหมาเหมือ น, นอะไรเนี้ยเวลาเราเโดยเฉพาะเวลาปรายาตในการขี่จักรยานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ขี่ขี่แบบไม่สนใจเลยว่าใครจะจะสวนมาหรือจะแซงแบบขี่เต็มถนนอะไรอย่างเงี้คยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอ๊ะมองเขาว่าเป็นหมาเป็นอะไรแบบภายในใจเขาแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราเหินหมามันอยู่อ่ะ เดินอยู่ปุ๊บสามตัวติดกันแบบนี้เราก็คงไม่ไปไม่ไปโกรธหมาแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นค่ะพระอาจารย์บางทีมันก็มีมีหลุดมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยหาวิธีอื่นก็เดี๋ยวอ่าคือวิธีที่โยมใชไม้ไม่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเห็นยังไงนะคะก็ э คือว่าโยมพยายามมองว่าโยมทําตัวให้เป็นให้ต่ําที่สุดนะคะพระอาจารย์อย่างใช่มากาอ่าก็คือโยมโยม จะบองตัวว่าเป็นเป็ น, ปนอัถิแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กองอยู่กับพื้นแล้วก็เหมือนว่าพยายามจินตน า, าการให้เหมือนให้มีคนมามาเหยียบมาฉี่มาถมน้องลายใส่อะไรแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ให้มองว่าคืออืก็คือเราก็ไม่มีอะไรคือเราก็เป็นดินแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์นี่คือโยมพยายามฝึกบ่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ แล้วก็เป็นมันมันมีไม่มีหลุดมันคือตอนนี้โยมใช้สองวิธีเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันมีมันมีบ้างนะแต่ว่าเหมือนสติุดอ้าวไหนว่ามึงเป็นเป็นกระดูไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีมันก็มีมีแบบเหมือนตัวตัวสัญญาณเข้ามาช่วยยับยั้งไว้ทันอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าจะเป็นช่วงแบบรีบเร่งหรือว่าแบบยังไม่ได้ทานอาหารอะไรบางทีมันก็มันก็มีหลุดเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ยังไม่ร้อยเปเซนแต่ว่ามันก็ยังช่วยพอยับยั้งได้ว ค่ะ อ, นนอันนี้พระอาจารย์เห็นว่ายังไงมากคะพระอาจารย์มีที ตามมีตามเกิดไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็รอไว้ก่อนน้อยห้เขาไปก่อนน้อยก็ผ่านไปก่อนเหมือนติดไฟแดงติดสียกไฟแดงมันอันิยมคือโยมโ ท, ศทรศัพท์สลีจะค่ะพระอาจารย์มันินมันแล้วก็ต้องให้ความเมตตาฝเมตตาแล้วก็อ<ห>ุเบกขาวด <ขา S 2> มีนึกสึกว่าจะฝึกมาไม่ค่อยเยอะจาะขออุเบกขาวดมีโยมอาจารย์ยังต้องฝึกอีกเยอะมากเช่ไหมค่ะพระอาจ <Brooke S 1> ารมย์ แล้วได้เบือเบว่อขาต้อฝึกสมาธิเยอะๆค่ะสมาธิเนี่ยเป็นตัวตัวอุเบกขาที่แท้จริง <c oughs> เอามีสมาธิใจเย็ยนนี่เราเมตตาก็ง่ายไม่ร้อนความอยากก็น้อยร อ, ยอยได้มีใครมาขวางมาอะไรก็น้อยให้ผ่านไปก่อนเ <c oughs> มีทางไายที่ลบได้หลิ่ได้ก็เลี่ยงไป อยากไปประชันหน้ากันแล้าษาแล้วแล้วความคิ ด, อคดเอกิเลสที่มันมันมันขึ้นมาว่าทําไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้หรือไม่เห็นใจคนอื่นบ้างเลยแบบนี้จังหวะอาจารย์อันนี้คือมันเราความอยากของเรามันก็เลยทำให้เราเห็นแก่ตัว mm hmm. ไม่มองไกลเอาความอยากเราไปที่ตั้งต้องได้ต้องได้ใครจะเป็นใค ร, ใครยังไงช่างหัวมันหมเราได้สิ่งที่เราอยากได้ ดูวความอยากเนี่ยตัวปัญหาตัวพยายามใช้ความบ้างน้อยสันโดษอันนี้มันก็ทำให้ทุกใจนะใช่ครับอาจารย์คือมันก็เราก็รู้ว่าเราร้อนอยู่แบบนี้อืมได้แล้วต้องม า, าสิ่งที่เราอยากได้มันก็จบไปก็ทุกอย่างชีวิตเราเนี่ยก็จบแล้วก็ตายได้อะไรมาทั้งหมดก็มันก็หมดความหมายไปเวลาๆๆที่เราตายย จะไปร้อนกับวันทำไมไปร้อนกับเนื่องต่ตางๆทำไมช่วย <c oughs> เย็นดีกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างี้ดีกว่าสันโดรตกใจไม่ต้องไม่ชต่ต้องได้ต้องได้ต้องได้อย่างเดียวพอไม่ได้ก็โกรธแล้วเสียใจแล้วแล้ก็ไปด่าคนเขาเองไม่ท่นี้จะโทษตัวเองที่ตัวเองโกรธเพราะความอยากของตัวเองก็ไปโทษคนอื่นเองในโลกเราทุกวัเนี้มันไม่โทษตัวเองนงิน ถ้าโทษตัวเองนลกนี้มันไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันชอบชี้ไปหาคนอื่นไปโทษคนอื่นนิ้วรามันเปนปัญหานิ้วลมไม่หงอกใช่ไหมมันไม่หงอกเข้าหาตัวเราเองเวลาชี้นี่ชี้ไปใส่คน น, น้นใส่คนนี้แทาเป็นนิ้วลมมันจะได้ชี้กลับเข้าหาตัวเราเองเราจะได้จําได้โอเราเนี่ยเป็นตัวปัญหาปัญหาของเราความอยากของเราเนี่เป็นตัวปัญหา ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ยกังไม่มีเรื่ององใครใช่ไหมถ้าไม่อยากก็ไม่ออกจากบ้านเลยอยู่บ้านสบายไม่เอาไปทําอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับใคร๋ย่มันยังต้องอยากมันยังอยากออกเดอยู่ออกไปสัมผัสกับเรืองเสียงกลินรสอยู่ในบ้านจําเจซ้ำซากเบอร์นายไม่ทําใจสงบทำใจสง บ, สมบเมียวเบค้าใจก็อิ่มใจก็พอ ถ้ามันจําเป็นเยินๆก็ไม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาดออกไปก็เป็นไฟนะฮะข้างนอ ก, นอกเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะทุก อ, อ, อย่างมันไม่เที่ยงอย่างมันเป็นอำนาจต่างเราไม่ควบคุมบังคับมันไม่ได้เราออกไปข้างนอกโดนหัดทําใจฮะยินดีตามมีตามเกิดอาจจะเจอของดีอาจะ จ, อออจะเจอของไม่ดีก็ได้แต่ก็อย่าไปดีใจเสียใจกันไปเพราะมันเป็นเรื่องของที่เราเราควบคุมบังคับไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้เวลาออกจากบ้านยมว่ายมต้องต้องเตรียมใจไว้ก่อนได้ก็ต้องฝึกสอนใจไว้ก่อนก่อนไปวันเดียววันนี้มันต้องมีอะไรแน่นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวฝึกเอาไว้ก่อนมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่มีความอยากมันก็มีอาจารย์เราต้องต้องปฏิบัติให้ได้ถึงถึงพระอริยะบุคูลขั้นไหนคะอาจารย์ขั้นไหนก็ได้ค่ะมันหยู่ความอยากได้ก็ทั้งคันไม่รู้ขั้นไหนแล้วขั้นหยุดความอยากได้ก็ใช่ได้แล้วค ยังไม่สนใจกับขั้นนู้นขั้นนี้เลยมันเป็นมันไม่ได้เป็นววตัวัดที่แท้จริงแต่วัดที่แทอ้อยู่ที่ใจเราใจเราทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าไม่ทุกข์เราก็เราก็ถึงขั้นนั้นก็ก็ยังทุกข์อยู่เราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอาจารยโยมก็ตั้งเป้าไปสูงสูบเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้วเราไม่ทุกข์กับทุก อ, อย่าง ไม่ทุกข์กับโลกไม่ทุกข์กับแฟนไม่ทุกข์กับตัวเราเองไม่ทุกข์กับวันนั้นวันนี้ไม่ทุกข์กับเศรษฐกิจไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นพระอาจารย์แล้วแล้วอ่ความทุกข์ติดมั่นถือมั่นในคู่สามีภรรยาแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์พระโสดาบันละได้แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าอย่้แล้วม่อยากจะพูดยังไม่รับรองว่าพระโสดาบันเดี๋ยวอยหามว่าเราเป็นผู้ที่มา รับรองแล้วไม่ไม่เอาอย่ามาพูดเรื่องเหล่านี้เลยเดี๋ยวเป็นเฝ้าให้ก็ดา่าออกระวขาเาถามเาถาเขาัวันนี้ยโกกาายมโดนสองดอกแล้วคับพระอาจารย์คำถามของโยนโดนสองอกแลียไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เออนี่ให้รู้รู้จำพาะตอนสันทิติโกสันทติโกมาพูดไม่ได้ตอนนี้โซเชียลมันแรงเดี๋ยวพูดไปนีพอไม่เข้าหูใครเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนดองใช่ไหคะพระอาจารย์เดี๋ยวนนด่าใช่ไหมคะพระอาจารย์ เปาหมายคือขอให้เราอย่าไปทุกข์กับใครแล้วกันกับสามีภรรยาก็ไม่ทุกข์กับลูกก็ไม่ทุกข์ขอบทรัพย์สินสมบัติเก้าวของเงินทองก็ไม่ทุกข์ในเบื้อต้นเราต้องไม่ทุกข์กับของภายนอกก่อนไม่ทุกข์กับรานยศ ส, สันสวรรค์สูงเข้าใจไหมนี่ของภายนอกกายเราถ้าเราไม่ทุกข์กับรานยุศ ส, สันสวรสูงได้แล้วก็เราก็สบายไปขั้นหนหึ่งนะจะรวยจนจนไม่เป็นไรใจใหญ่ญาติเล็กไม่เป็นไรจะชมจะด่าไม่เป็นไร ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวไม่เป็นไรได้กินได้ดื่มหรไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรอยู่ได้อันนี้ให้ได้ขั้นนี้ก่อนพอขั้นต่อไปก็มาที่ร่างกายแล้วทีนี้ร่างกายเราก็ต้องเราต้องไม่ทุกข์กับมันละมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์กับมันยินดีเพราะมันเป็นความจริงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผ่านผ่านเรื่องความแก่ได้ความเจ็บได้ อที้ก็มาอีกขั้นหนึ่งนี้ขั้นขั้นคู่ครองแล้วถ้ายังมีคู่ครองอยู่ยังรักยังชอบอยู่ก็ต้องตัดมันนะที่ไม่ให้รักไม่ให้ชอบใครแล้วต้องให้เห็นเนี่ยสุภาษณ์เห็นหน้ากายเป็นหน้าสุภามันก็จะตัดการที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครได้แล้วขั้นต่อไปก็มาดูที่ใจเราใจเรายังมีอัตตาตัวตัวนี่ออยังถือตัวถือ ต, ต, ตนอยู่หรือเปล่า ยังมีความอยากมีมเปล่าอนออวิชชาก็คือความอยากความอยากที่ยังมองไม่เห็นเรียกว่าอวิชชาอันนี้มันเป็นขั้นขั้นไปดับความทุกข์ไปเป็นขั้นขั้เบื้องต้เนเราดับข้างนอกก่อนไม่ลองไปทุกกับสิ่งภายนอ ก, กนักธรรมละสำโยชนเนี่ย ส, สิ่งภายในนักเลิศต่างร่างกายเหมือนไงยังไม่เริ่มสำโยชนะ ค่ะอาจารย์โยมาเรื่องสมบัติโยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วค่ะอาจารย์ก็จะมีเรื่องโทรศัท์ที่มันมันยังมากวนใจกับเรื่องเอ่อเรื่องอะไรนะคะเรื่องตัวเอ่อตัวการราคากับกับแบบนี้สิค่ะอาจารย์จะกับกับคนอื่นอันนี้มันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมันมนั้นไม่มีอะไรแล้วค่ะเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วว่าอือมัน มันมันผิดทํานองคลองคําแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาพิจารณาปุ๊บมันก็ปุ๊บปอกมาเลยแต่กับกับคู่คู่คลองนี่จะรู้สึกว่ามันยิ่งขูกพันเนี่ยมันจากกิเลสมันมันจะดิ้นมากมันจะไม่ค่อยอยากพิจารณาเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าคือมันต้องฝืนแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่โยมส้งเกตตัวของโยมเองอค่ะอันนี้มันมีส่วนใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่ว่ายิ่งผูกพันมากมันก็จะเออมันไม่ค่อยอยากจะคิดเท่าไหร่ ตัวมันเพราะมันหลงมันหลงมากันัวมันกลไม่แทบครัมไม่ไม่ยอมมองความจริงของเขาจ่ะพระอาจารย์แต่ก็ต้องเอาไปกันถ้ามันเป็นปัญหาก็ต้องหาวิธีแก้มันจนได้ถ้าไม่แก้มันก็ยังไม่จบปัญหามันยังไม่จบมันไม่รู้สึกผิดแต่ว่ามันก็คือคือรู้ว่ามันมันเป็นทุกข์แต่มันไม่รู้สึกผิดเอ่อแต่ถ้าเป็นกับคุนอื่นมันรู้สึกผิดแบบนี้จ้ะครับพระอาจารย์ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นแฟนเราก็ม wow> ันมันก็ไม่ผิดใช่ไหมใช่ค่ะมันมันไม่มีแต่แม้ว่ามันแต่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เวลาไม่อยู่เวลาไม่อยู่กับเขาก็ยังเหงาขึ้นมาอยู่กับเขาเขาแกล้งเหงาเราได้แต่เวลาผมโหก็ไม่อยากเห็นหน้าเจ้ากับอ่าแั้วแก่เรื่องแล้วไงเรื่องนันล้ัตาตัวตน อาจารย์เจ้าคะคำถามสุดท้ายเจ้คาคะอาจารย์หนุเกงใจก็คือว่าเ อ, อที่โยมที่โยมพิจารณากระดูกแล้วให้แบบทาตัวเหมือนแบบใครมาเหยียบอะไรแบบนี้อันนี้คือทําได้ต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ต้องเสริมสมาธิเข้าไปด้วยอาจารย์เห็นว่ายังไงบ้างคะไอตัวที่ว่าโยมมองตัวเองเป็นกระดูกแบบนี้ค่ะที่ว่าจะให้ลดอักตกาตัว ต, วตนนะคะอาจารย์มันจะได้ลดตัวตัวโทสะไปด้วยค่ะอาจารย์เวลามีอะไรมากระทบแบบนี้ค่ะว่าใครจะทําอะไรกับร่างกายเราจะมากระทบ เอ่อจะมาเดินมาชนหรือมาเดินตัดหน้าอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์อันนี้คือควรจะทำต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็ดูว่ามันมันดับความทุกข์ของเราได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็ใช้ได้เป็นเครื่องมือดับความทถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนพลิกแพงอุบายวันนี้กิเลสมันรู้ทันวันนีน้ก็น ได้แต่มันไม่ทุกครั้งนี่คือสมาธิมันยังน้อยไปใช่ไมคพระอาจารย์ตอนพอนจอาจมีสมาธิหอาจจะเป็นกิเลสมันเร่มรู้เชิงแล้วมนะันออมันรู้เชิงแล้วก็เาไม่รู้หลต้องวิเคราะห์วัยของการปฏ <ขา S 2> ิบัตินี่เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบติจะต้องอะะเฉลยวฉลาดมากลองวิธีนี้ไม่ได้ก็ลองอีกวิธีหนึ่งดูวิธีนี้กิเลมันรู้ ก็คงมีเท่านี้สช่หมรับอาจารย์อืมโอเคนะสาธุอาจารย์กลับสาธุค่ะอ้าวคุน้ไม่ใช่อาจารย์กลับมาพิสะการระอาจารย์ครับของความเมตตาอาจารย์ได้อธิบายชะตาชีวิตใครเป็นผู้ริคิดครับรอาจารย์เอชีวิตของเรามีสองส่วนนร่างกายส่วนและจิตส่วน่ ผู้ทิขิตร่างกายของเราก็คือกดตายแล้วไม่เที่ยมมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาร่างกายทุกคนมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไทยนั่นต่างชะตาชีวิตของร่างกายนี้เป็นกันทุกคนเกิดแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่ปลายทางก็คือความตายอันนี้คือชะตาชีชะตาชีวิตของร่างกายอยู่ภายใต้กฎของตายแล้ว อันนี้จำทุกขงังนนะตาส่วนเช่นตาชีวิตของใจเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเราจะขึ้นสูงก็ได้เราก็จะลงต่ำก็ได้นี่มีภพภูมิอยู่ต้องสามเสี้ยนภพภูมิด้วยกันที่ใจของเราจะสามารถเลื่อนยิบไปไปภพไหนก็ได้อยู่ที่การกระทําของเราอย่างที่เด็กเมื่อกี้ท่านให้ฟังเราจะทำกรรมอะไ ไ, ไว้ เราจะต้องเป็นพูดรับผลของกรรมนั้นอันนี้ไม่ใช่ร่างกายอันนี้จิตใจอันนี้สมมุติตอนนี้เราเราส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์ตอนนี้ ม, มนต์มาเกิดใจเอยู่ในระดับมนุษย์ถึงนีถึงในร่างกายของมนุษย์ถ้าเราไปทํำบาปนี่มันเริ่มลันต่ำแล้วสิไปเป็นในราชาดึงเป็นศูนย์ร่างกายเป็นนรกไปขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทําบาปทําบาปด้วยความหลงไม่รู้ ก็เป็นเดราาัจฉานเป็นสัตว์เดราาัจฉานเช่นทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อป้องกันตัวเองไม่รู้ว่าบาปสัตว์เดราาัจฉานก็อยู่แบบนี้เขากิกนเขาอยู่เขาต้องทำบาปเพื่อป้องกันชีวิตของเขาเพื่อเลี้ยงดูชีวิตของเขาอันนี้ถ้ามนุษย์มาทำแบบนี้ก็ เ, เหมือนเดราาัจฉานกิตใจก็เหมือนเดราาัจฉานตายไปก็ไปเป็นสัตว์เดราาัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเปรต ได้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่อิ่มไม่พอเพราะความโลภมันไม่มีวันจบมันไมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้คู่ก็จะเอาสองได้สอบก็จะเอาว่าพอตายไปถ้าทานะําบาปนะทําถ้าโลภโดยการไม่ทําบาปยังไม่ยังไม่เป็นเปรต เ, เนี่ยยังเป็นมนุษย์จีห์โอ้ยังเป็นมนุษ ย, ยนมน์มนุษย์ที่โลภอยู่แต่ถ้าไปทําบาปด้วยความโลภเนี่ยเช่นชอบโกงคอร์รัปชันอะไรองเงาเนี่ยอันนี้ไปแล้วเริ่มไปเป็นเปรตแล้ว แล้วถ้าทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนทําบาปไปก่อนอันนี้ก็เป็นอสุนตกายจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหความหวาดกลัวคอยคอยหลอกล้องจิตใจตลอดเวลาแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตายไปก็จะเป็นนรกไฟนรกก็คือไฟของความอาฆาตพยาบาทนั่นก็จะเผาจิตใจ ันนี้คือนี่คือการลงต่ำถ้าทำบาปด้วยสี่เหตุผลนี่ก็จะลงไปสุดตําที่สุดต่ำที่สุดก็คือนรกนแลรกนรกที่เลิกที่สุดก็คือการฆ่าอนันตาริยกรรมฆ่าฆ่าข้อในการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระเจ้าห่อเนื้อนายุให้พระสงฆ์แตกแยกกันอันนี้เป็นกรรมที่เลิกที่สุดหนักที่สุด อย่าทำสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากจะขึ้นสูงก็ต้องทำบุญนะถ้าไม่ทำบาป้วป้องกันอบายนะไม่ไม่ต้องไม่ลงต่ำนะแต่ถ้าจะขึ้นสูงยังต้องต้องทำต้องทำบุญตถึงจะขึ้นสูงได้บุญที่จะเป็นเหมือนลิฟต์ที่จะดึงใจให้ขึ้นสูงขึ้นนะทำบุญตาทางตามกําลังของเรากําลังทรัพย์ทําทานด้วยวิธีต่างๆทําด้วยข้าวของเงินทองก็ได้ทําด้วยการเป็นจิตอาสาก็ได้ เสีสละผลประโยชน์สุด ข, ของตนให้กับคผู้อื่นครับนี<ม>่ก็เรียกทำบุญ ท, ทานอันนี้ก็อย่ายยงวิญญาณให้จิตให้สูงขึ้นจากกันนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นเทพมีหกชั้นด้วยกันอยู่ที่ทามากทำน้อยอนนแล้วถ้าอยากจะซึ่งขึ้นสูงกว่าชั้นเทก็ไประดับชั้นพรมหลังจากนั้นชั้นพรมได้เข้าชั้นพรมได้ก็ต้องนั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ หังย น, นั่งสมาธิเข้าชานไ้ได้ก็ต้องถือศีลแปดตรงนี้นนละเว้นการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่จะได้เวลามาจเรจรญสตินั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นรูปประชานรูปประชานถ้าเป็นรูปประชานก็ได้เป็นรูปประพรมถ้าได้รูปประชานก็จะสูขขงกว่ารูปประพรมก็คือเอารูปประพรมพบตอนี้มันจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับของของพวบ ยิ่งทำมุนมากเราความสุขก็ยิ่งมากขึ้นมีหน้างสมาธิจิตสงบได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปแต่ทั้งพบตั้งหมดนี้มันเป็นพบชั่วคราวมันขึ้นไปได้นั่เดียวพอบุญที่ส่งไปหมดกําลังมันก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่โดยถ้าบาปที่ทําไปหมดมันก็กลับมาเกิดกลับตั้งกลมาจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่สิ่งที่มันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนที่ติดมากับใจก็คือนิสัยสันดานเดิมองค์ที่เคยชอบทําบาปมันมักจะกลับมาทําบาปต่อองค์ที่ชอบทําบุญก็จะกลับมาทมําบุญต่อองค์ที่ชอบนั่งสมาธิก็จะไปบ ว, บวชบวกันบวชชีบวชพระกันอันนี้มันเป็นนิสัยที่ติดมากับดวงวิญญาณดวงจริตดวงใจก็จะเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจังกวะจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ว่ายังมีทางที่ดีกว่านี้สูงกว่านี้ที่จะทําให้ไม่ต้องจลับมาเห็นว่าได้เกิดในพุททั้งสามนี้ก็คือการปฏิบัติขั้นปัญญาถ้ามีสมาธิท่านก็ไม่ต้องสอนสมาธิเพราะจะนั่นงแรกๆนี้ท่านสอนปัญญาเลยสอนอนุญาสัจสี่สอนมรรคแปดพอคนฟังมีสมาธิเข้าใจก็สามารถละปัญหาความอยากได้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ พอแสดงธรามเองต่อไปหลานเลือกอนัตตาทุกอย่างเปนอนัตตาก็มันรู้เป็นผ้ า, าหลานกันได้ทันทีนี่พอเป็นพระ้ า, าหลานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเห็นว่นาตายเกิดอีกต่อไปเพราะจิตจะไม่เสื่อมอีกต่อไปถ้าขึ้นขึ้นสู่พระขัน้นพราริย์แล้วจะไม่เสื่อมมิเดีจะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยพอเป็นโสดาันแล้วจะไม่กลับมาเป็นปุตุชฌนเองแล้วแต่ยังต้องกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ พอเป็นขั้นสกิรดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวชาติของมนุษย์นะแล้วพอเป็นอาณาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนั้นใครที่บอกว่ามามันเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังบอกว่าเป็นอาณาคามีอยู่นี่ก็แสดงว่าโกหกอน า, นาคามีไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะไม่มีความไม่มีกวารมาราลักไม่มีความยินดีที่จะเสกการมก็ไม่รู้จะมีร่างกายไหมหนระือไม ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของการเสกการถ้าพอถึงขั้นพาาาระอรหันต์ก็ก็ไม่กลับมาเกิดเลยอนาคามียังต้องไปเกิดอยู่ในพมหมโลกนั้นก็บรรู้เป็นพาาาระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์จิตก็ออกจากลายพบไปออกจากการมาพบออกจากรูุปก็ออกจากอนุปก็ไปไปสูนน่นิพพานนิพพานก็คือพบที่ นี่างเรื่องว่าพบเลยจะว่าพบก็ได้พบที่ไม่ได้อยู่ในายพบอยู่นอกใจพบพบที่ไม่มีการเห็นว่าตาเกิดหรือไม่ออกนี่แหละคือชะตาชีวิตเรื่องจิตใจในี้เรากําหนดได้อยู่ที่เราทํกากรรมบรรได้ไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ชะตาชีวิตของร่างกายไม่มีใครกําหนดได้มันถูกกาหนดมาตายตัวทุกคน คุมอก็ต้องแก่เจ็บตายเราก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายของมันนี่คือชัดจนข้นใจ ช, ชัดเจนมากขึ้นเลยครับก็อาจารย์แบบขอบคุณอย่างสูงครับโอเคเอาไปปฏิบัตินะร่างกายเราทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้แต่ใจเราเปลี่ยนได้หนึ่งมันขึ้นสูงได้ถ้ามันจะลงต่ําก็หึ่งมันขึ้นได้แต่เราต้องมีความเพยายาม น้อมน้รมแบบเป็นกติการับอาจารย์สาธุคุณทิติมาอาจารย์กรนมัิการณ์กับพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะคำรับฟังธรรมค่ะมีท่าบไหมนั่ใช้การได้อย่าง60วันเนี่ยใช้ได้แล้วค่รับอาจารย์ตั้งแต่1ิบห้ากรกาคมค่ะ90กว่าประเทศเลยใช่ค่ะ ตอนนี้ขายวราเทศกันนะเชิญกันกนมาเที่ยวมากินมาดื่มมอแต่ว่าฉันคนพิเศษไม่เข้าใครเอาใครคะโอเคมีอะไรไหมแข็งแรงค่ะไม่มีค่ะอ่อมีใบคนที่ชายหน้าคุณศาธกาศาธตกามีอะไรไหมไม่ได้ยินเสียงยังไม่เปิดยังไม่เปิดหมเลย เปิไม่ได้นะยไม่มีคนสั่งเลยอ่าไม่มีอะไรครับอาจารย์เราฟังถามค่ะปฏิบัติอ่อเเอาเราชะตาชีวิตเรื่องได้นะจิตใจเรื่องได้นะจะขึ้นสูงขึ้นต่าําค่ะอน้องนําไปปฏิบัติค่ะอาจารย์อยากสารทีมนักปัญญาพัทยาน้องกลับนมัสการครับอาจารย์ อ่ามันจะขึ้นสูงมันจะลงต่ำนี้่ก็จะพยายามขึ้นสูงค่ะพระอาจารย์ก็ก็ปฏิบัติอยู่คะ่ะแล้วก็มีคําถามที่พระอาจารย์สอนคุณหมอพิเชนเมื่อกี้อะค่ะว่ากรรมหนักมีห้าข้อเอ่อกรรมที่ว่ายุยงให้สงแตกแยกเนี่ยยมอมมันมันคือแบบไหนคะพระอาจารย์อก็มามาปฏิวัดอย่างนั้นก็ มายุให้พัดโกดเจ้ า, าว่า น, นี่แม่เขาลบเจ้ า, าว่า น, นี้เป็นต้นอ๋อคะ่ะก็เพราะว่าที่ที่โยมถามก็เพราะว่าบางทีไปแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไปวัดยานนะคะไปที่หลายๆที่และเจอหลายๆคนเขาก็จะพูดเรื่องพระองค์นั้นองค์ น, งนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโยมก็อันนี้คือเขาเล่าให้เราฟังนี่คืออันนี้คือผิดแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แล้วแต่เคาวิพากษ์วิจารณ์มันก็อยู่ที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้เห็นได้ผลหรือเป่ บนะันที่อยาก จ, จะเตือนคนว่าอย่าไปยู่กับพารลุ่มนี้นะพารลพ่มนี้หลอกเอานะอะไรนี่มันก็ถ้าเป็นความจริงมันก็ไม่มันก็ไม่เสียหายอะไร อ, นนอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการยุให้สงแตกแยกกันเจ้าค่ะแต่ทางที่ดีก็อย่าไปฟังดีกว่าเรื่องของคนอื่นเขาพระเราก็ไม่รู้ถูกก็ผิดจริงหรือไม่จริงอ่านะ รอใครเข้ามาพูด้าลืลองของคนนั้นันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระั้ือเป็นโยมก็อย่าไปฟังอย่างเงี้แบบพี่ขอร้องหนูจะมาฟังธรรมไม่อยาก <c oughs> แต่คนก็ชอบชอบนินทากันเอ้โหนินทาหน่อยโอ้โหูหูเพิ่มเลย <c oughs> <c oughs> เวลาพราะสัญญาณธรรมนี่ม็ดับเลย แต่ยมก็ไม่ค่อยได้เอามาสายใจก็เป็นเรื่องยมก็คิดว่าเออเขาอยากเล่าก็เล่าไปก็ไม่ได้สืบไม่ได้พูดอะไรต่อบางทีก็อ๋อหรือก็อ๋เหรอแค่นั้นนะคะพระอาจารย์แสดงคิดว่าเออเวลาเขาเล่าอะไรให้เราฟังนี่เป็นการยุยงให้สงแตกแยกหรือเปล่าเข้าใจแล้วก็แล้วแต่เจตนาเขาว่าเขาต้องการจะให้สงแตกแยกต้องมีเจตนาตั้งใจนะคะตั้งใจ แต่ถ้าไม่มีเจตนาเพนแต่ก็าาอาจจะรู้เรื่องไม่ดีของพระนุ่มนั้นนุ่มนี้แล้วก็มาบอกให้เตือนว่าเดี๋ยวจะถูกหลอกอะไรอเงี้ยก็ทําเป็นความจริงมันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้เราก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่อยากจะฟังเพราะถ้าเขาเก็บพระรูปนี้แล้ามาใส่ความให้กับพระรูปนี้มันก็จะทําให้เราหลงผิดตามเขได้เป็นทรรมที่ดีถ้าเรื่องเกี่ยวเรื่องของคนอื่นอย่าไปสนใจนดีกว่าถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาของเราเอง เจ้าข้าพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะก็มีเมื่อกี้ฟังก็เลยนึกนึกชุดใจคิดคิดแค่นั้นเองครับพระอาจารย์เอถ้าโยมามาที่วัดเราอยากจะยุให้พรต่ากเป็นสองฝ่ายอย่างเงี้ถ้ามีเจตนาพระรับปันสามนาทีกันดีอยากให้มันทะเลาะ ก, กันนี้อย่างเงี้ยมันก็ถ้ามีเจตนาเนี่ยก็ถือว่าทําให้สงแตกแยกนั้นเจ้าข้าพระอาจารย์กบขอบพระคุณมากค่ะนะทุกอย่า คุณอุษาเชิญคุณอุษากิติยา <c oughs> มาสการขาอาจารย์วันนี้ทางใต้ฝนตกบ่อยค่ะสัญญาณเลยไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์ก็ยังชัดดีเสียงก็ัดีภาพก็ยังดีงดค่ะคือตอนนี้โยม <c oughs> แต่ว่ามันก็ละหลวนมาค่ะอาจารย์พอกลับมาอยู่ชีวิตประจำวันแบบนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำตลอดแต่ว่าก็พยายามรักษาใจอยู่ค่ะอาจารย์ มันมันก็ดีค่ะใช่มันได้อยู่ในโลกมันก็ต้องมีเรื่องทางโลกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันมันก็เบานะคะจารย์มันเบามันไม่ได้วันไหวอะไรมากมายก็เบาเบาอะค่ะจ้าอยู่ได้อยู่ถ้าถ้ายังอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าถึงเกณถึงว่าเบื่อแล้วไม่เอาแล้ววุ่นวายเนาะไปหาที่ท่านบดูในการว่ามันก็ต้องเปลี่ยนปรับแผนใหม่ค่ะก็ก็จะไปไปอะค่ะจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปค่ะ ไปเรื่อยๆไปเก็บสะสมไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ค่ะอนีเวลาน้อยลงไปทั้งวันเลยนะใช่ใช่ค่ะใช่พยายามเก็บ ว, วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลัลงทําอะไรอยู่ใช่ค่ะคือโยมโยมไม่ได้คิดตอนที่ว่าอยู่บนเขาโยมเปิดนาฬิกาจับเวลานะคะแล้วก็เห็นที่มันวิ่งที่วินาทีโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอแล้วเรากำลังทำอะไรมันไม่หยุดลเลยใช่ค่ะมันมันผ่านไปเร็วมากเลยโอ้โหมัน เราทิ้งเวลาไปเยอะเลยนะเสียดายค่ะอาจารย์ก็พยายามอยู่ถึงมาอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็พยายามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟุ้งแบบเมื่อก่อนนะคะมันมันดีขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ถ้าปฏิบัติแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปเรืดด่อยๆใช่ค่ะพยายามรักษาใจค่ะอาจารย์โอเคนุ้ศสาวไม่พูดมีอะไรไหมนุศสาวมามาร่องฟังธรรมค่ะค่ะอาจารย์โอเคเห็นไปด้วยคุณคุณยายกับนโม เนีสันโดษอสันโดษชื่อเยอะนะพะ่อจานสันโดษแต่อ้วนังแต่หน้าตางอาง่ก<ล>งเรียกว่าผ่องใสนี่บุญแนะแต่ยังไม่สันโดษแล้วก็ยั ง, งมัมงมๆๆๆ่งมากอ้วนมากกินมากกลับไปเป็นมักน้อยสันโดษเหมือนเดิมก็ได้ครับพ่อจันพูดได้แต่ทำได้ป่ะ ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนดูไนะด้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องรออยู่แล้วก็พระอาจารย์เพรเดี๋ยวเดือนหน้าไปรอดอแลครับมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีอะไรครับผมแค่เข้ามากาบพระอาจารย์นะแล้วก็หวังเปรียนพระอาจารย์ว่าหนีโดดเรียนไปต่างประเทศโดดเข้าซูมไปต่างประเทศคุณยายยังบ่นอยู่เลยว่า ทำไมไม่ยอมเข้าซูมตอนอยู่ต่างประเทศแต่พระเอิญตอนนั้นอยู่ในเครื่องพอดีเลยเข้า <istic> ซ <women> ูมไม่ได้ครับก็มีการในการถ่านบ้างเป็นธรรมนาถ่านบ้างเกินมากถ้ามันมีเหตุมผลก็ไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นเป็นข้อความเปลี่ยดช่างก็ไม่ดีอาจารย์พยายามอยู่ครับผมอาจารย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเป็นสันโดษคนเดิม พยายามทำยังไม่ได้ถึงนะคุณยาสบายดีนะยังไม่ได้ถึงอยู่นะคะในความสุขนะยายก็อยู่แต่บ้านนะคะในสุขกางสบายใจค่ะก็อยู่ันเดียวค่ะพยายามพยายามพุทโเยอะๆนะเป็นบุญกุศลใชก็ทำทุกวันเลยคะอ่าดีจ้ะ หลานด้วยครับหลานด้วยครับพระอาจารย์แข็งแรงค่ะพี่โธเบโกเบคุคณชุ๊บมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหม <c oughs> อาทิตย์ที่แ้วที่หนูเข้ามาถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเราจะทําให้เกิดมีปัญญาในยังไงที่จะเข้าใจใน ลูกที่ว่าเป็นดินน้ำลมไฟอ่ะเจ้าค่ะอืมตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าปัญญาไหนมันไม่สามารถสร้างภายในเจ็วันสําหรับหนูนะเจ้าค่ะอืมก็เป็นยังยังเป็นแค่สัญญาก็ยังอ่านหนังสือกายคตาสกิตของพระอาจารย์หลวงตามหาบัวอยู่อะเจ้าค่ะอืมก็ตอนนี้ก็หมัน่นหมั่นดูก็หมั่นพิจารณาเาว่าค่ะพระอาจารย์หนูก็ก็ก็ก ไม่ได้อยากรู้มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าช่วงอาทิตย์ก่อนนี่คือความอยากของหนูมันอยากรู้อยากเข้าใจเกินไปจนบางทีมันนั่งคิดว่ามันอาจจะเป็นกีเลสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะตอนนี้ก็ปล่อยวางแล้วเจ้าคะ่ะก็หมั่นพิจารณาเอาเจ้าคะ่ะเราพยายามศึกษามันศึกษ า, อ, าอ่านธรรมะของหลวงตาไปเรื่อยๆกันเองท่านจะสอนเราบางทีเราพิจารณาเองมันยังอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกหรือว่าไม่กว้างขวางไม่รอบครอบ เจ้าค่ ะ, ะวันนี้หนูมีคำถามคืออยากขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายการทำงานของขันห้าได้ไหมเจ้าค่ะคือหนูยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังทาไมมันมันทำงานสัมพันธ์กันยังไงเจ้าค่ ะ, ะทำไ ม, มขันห้ามันก็มีสองส่วนส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นใจร่างกายก็มีตาหูจมูนกนิ้วไก่ใช่ไหม <Okay. S 2> สนใจก็มีเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเมตนาคือความรู้สึก ส, สัญญาคือความจําได้หมายถึงสังขารก็คือควา ม, มา <c oughs> ค, คามิด ต, ตุ่มเต็มวิญญาณก็คือตัวที่มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายโอชีจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูนก น, นิ้วกายใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นรูปเสียงกลิ่นรส อตาหูจมูกในกายเป็นเพลงแต่ผู้ส่งก็้าไปเป็นผู้รับมานำร่ารูปเสียงกีดดัเข้ามาแล้วส่งไปให้ใจอีกท่อนหนึ่งผ่านทางวิญญาณเข้าใจยัง hmm. ผู้ฟังนี้ช่วงนี้เข้าใจไหมตาหนูตอนนี้เข้าใจไหมค่ะตาหนูตอนนี้เห็ น, <c oughs> เ, หนเห็นรูปเราตอนนี้แล้วมันก็ส่งไปที่ใจใจถ้าไม่มีไม่มีวิญญาณมากอนที่ตาเ น, นี่ยมันจะไม่เห็นตา <c oughs> มันส่ง วิญญาณมนเกาะที่ตาหูจมูกทิ้นกายพอรูปมาแตะสัมผัสที่ตามันก็ปุ๊บเข้าไปที่ใจเลยพ อ, อเสียงก็มาที่หูมันก็ไปส่งไปที่ใจใจนี่เราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้รูปลูลเสียงรู้กลิก่นรู้รสเข้าใจไหมไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันเหมือนกล้องมือถือเราเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่มันรับภาพให้เรามันรับเสียงให้เรา คนใช้เป็นผู้ผรู้รูปเสียงคนที่ใช้โทรศัพท์เป็นผูไ้ได้เห็นรูปได้ยินเสียงส่วนตัวโทรศัพท์มันไม่รู้มันไม่ได้มันเพียงแต่ทำหน้าที่รับรูปเสียงไปให้คนที่ใช้โทรศัพท์ั่างกายก็เหมือนโทรศัพท์ใจก็เหมือนคนใช้โทรศัพท์มันเชื่อมต่อกันผ่านวิญญาณวิญญาณเป็นผู้ทีม่มาติดต่อกับตาหูจมูกเนกาย นะพอรูปเสียงเกิดลดมาตาที่ตาโอจมูกในกายมันก็ไปที่ใจพอไปที่ใจใจมันก็ใช้สัญญาในขึ้นมาเห็นภาพใครว่าเป็นเสียงใครว่าเคยมีเราเคยได้ยินภาพนี้เห็นเสียงเห็นภาพนี้มาก่อนหรือเปล่าเห็นเสียงนี้มาก่อนอ๋อเคยเห็นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้สัญญาความจอพอรู้แล้วว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นเป็นเสียงนี้ก็ก็รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีใช่ไหม เมันมีคุณหรือม่โทษกับเราหรือเปล่าเอามารู้ว่าอ๋อถ้าเป็นมีคุณมันก็เกิดเวทนาเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเป็นโทษคนนี้เคยดา่าเราเคยถีบเราเอ๋อเห็นปับ๊บมั น, น ก, ก, ก, นเก็เกิดทุกข์เขาเวทนาขึ้นมามันนี้คือการทํางมั่นของกันะว่าเก็สุขเกิดทุกข์ง่าตามมากะสังขารความคิดเนี่ยถ้าสุขก็เอาเก็บไว้เฉยๆเข้ามาอยู่กับเรานานๆเนี่ยถ้าทุกข์ก็ไล่เข้ไป นี่คือสังสารสั่งให้ร่างกายทําันถ้าเจอคนนี้อย่าให้เขาเข้าบ้านนะให้เขาไปเลยถ้าเจอคนนี้เปิดประตูรับเขาเลยเชิญเข้ามาเลยเ<ม>นี่ยคือการทํางานของสังขารของกัรห้าแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนอันนีมันอยู่ตรงที่ว่าบางทีสั่งแล้วมันมันไม่ได้ตามใจอยากอย่าให้เข้าไปแต่เขาไม่ไปเลยทุกข์มากอัเ น, นี้ที่เป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ก็คือ แก้ความอยากของเราเมื่อเราอยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็ต้องเปลี่ยนใจแล้วไม่ไปก็อยู่ก็อยู่ยไปถ้าเราเปลี่ยนใจไนดะ้อให้เขาอยู่ก็อยู่ยไปแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้ายังอยากให้เขาไปอยู่แล้วเขายังไม่ไปอยู่เราก็ยังทุกข์กับเขาไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาที่เราต้องมาแก้กันแก้ที่สังขารความความคิดของเราอย่าไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ได้ไหม อยากร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมอยากให้ร่างกายไม่ตายได้ไหมไม่ได้พออย่ากแล้วมันเป็นยังไงพอไม่ได้ทำไมทุกข์ไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันแก่ไปอย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายใจก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือปัญหาที่พวกเรามาแก้กันก็แค่แค่ทิ้งตัวนี้ ในที่ตัวสังขารเขาคิดความอยากนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์อธิบายได้ได้เข้าใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะอขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์อือเดี๋ยวก็เลยต้องเข้มาถามใหม่งอันหนูหนูจะจดเอาไว้ค่ะพระอาจารย์หนูจะจดลงในสมุดเอาไว้อ่านเอาไว้ท่องเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเกิดจากวิญญาณแล้วต่อด้วยเวทนาแล้วตามมาด้วยสังขารอือเออต่อไม่ สัญญาเวทนาแล้วก็สังขารเข้าใจแล้วจ้าค่ะแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ได้ดังใจอยากแล้วค่ะใช่ไหมขอพระคุณพระอาจารย์ น, นะคะเจ้านะเจ้าค่ะโอเคสาธุขอให้ท่าอาจารย์มีท่าแข็งแข็งแรงเจ้าค่ ะ, ะ, ะ okay, ไปที่ <okay. S 1> คนสุภัสตาอันนี้อยู่ไหนไวโอมิงโคโลราโดเท็กซัสแล้วยู่มีหลายที่ <laughs> กลากรรมสักการพรอาจารย์เจ้าค่ะยังอยู่เท็กซัสเจ้าค่ะกล่าวว่าอาทิตย์หน้าอาจจะไปโคโ ด, โดไปเยี่ยมคุณพ่อสามีเหมือนเดิมเจ้าค่ะไปดูแลเหมือนเดิมเจ้าค่ะไปกับสามีด้วยหรือเปลไปเจ้าค่ะไปได้วยกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาลูกไปไปวัดเอ่อวัดเคลเลอร์เจ้าค่ะใกล้ๆก ล, กลบ้านชื่ อ, อไทยว่ า, วาพุทธ รัตนาวัารามเจ้าคะ่ะถ้ารู้จำไม่ผิดอยู่ที่เคลเลอร์อ <Keller. S 2> ืก็ไปนอนตอนแรกตั้งใจจะไปนอนสองคืนแต่ทีนี้ได้เออ่ได้ไปแค่คืนเดียวเจ้าคะ่ะก็ก็ไปดูคืออยากรู้ว่าบรรยากาศที่วัดไปอยู่เราเป็นยังไงมีแม่ชีด้วยมีพระด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็ดีเจ้าคะ่าคะรู้สึกดีเจ้าคะ่ะรู้สึกดี แม่ชีก็เมตตาเจ้าค่ะก็เมตตา ม, มีที่ให้เรานั่งอยู่ปฏิบัติธรรมได้เลย <c oughs> มีเจ้าค่ะ <c oughs> เจ้าค่ะก็นั่งนั่งที่เอ่อนั่งในที่ของที่พักขสำนักของแม่ชีได้เจ้าค่ะก็เงียบมีแม่ชีแค่สามรูป <c oughs> แล้วก็มีแม่ชีที่เป็นพระหลังก็คือแม่ชีซาร่าเจ้าค่ะก็เคยเคยเข้ามาในซูมตอนที่ตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นชีแล้วค่ะก็คุยกับพระอาจารย์แล้วค่ะ แล้วก็ได้แม่ชีแนะนำเจ้าค่ะในการปฏิบัติแล้วก็ได้ทำวัดเช้าได้อะไรก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากเจ้าค่ะที่ดีมากเมื่อวานลูกก็ตื่นไปทำวัดเช้าแต่เช้าที่วัดเจ้าค่ะก็ออกจากบ้านตีตีห้าแล้วก็ไปทำวัดเช้านะคะก็ก็ถือว่าประสบการณ์ดีเจ้าค่ะดีมากๆเลยได้ความรู้แล้วก็ได้กัญยาณมิตรที่ เกื้อนหนุนช่วยกันทางนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวรู้จักเมืองอาเ ล, ล็กตันไหมแตนั้นมีเมืองอาเล็กตันอยู่ใล้ๆป่ ะ, ะรู้จักรู้จักเมืองเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปวัดทางนั้นะะนะคะประดีมีพระที่อยู่วัดยานแกไปไปตั้งวัดอยู่ที่นั่นที่อาเล็กตันชื่อวัดอะไรนะคะเดี๋ยวลูกค้าก็ได้เจ้าค่ะพตั้งวัดเพตั้งได้ปีนี้เงยังเป็นวัดใหม่อยู่ เราใกล้บายก็ตั้งชื่อเป็นวัดอ่าวัน <One. S 2> อะไรนะ y, y, อาิลตันมอนาส t e r อาิลตัน f o r เจ้าค่ะเดี๋ยวูเดี๋ยวูไป่าอาิตันเจ้าค่ะถ้าลูกมีโอกาสเดี๋ยวลูกจะลองแวะไปดูเพราะอาิลตันก็ไม่ไกลแต่แต่คือไกลจากบ้านลูกกว่าวัดเทเลเลอร์เจ้าค่ะวัดเทลเลอร์อยู่ใกล้กว่าเพราะว่าอยู่ อยู่ไปทางฟอร์ดเวิร์ดนิดเดียวเจ้าค่ะ<ม>ก็หาไปมานถ้ารถไม่ติดก็สิบห้านาทีก็ถึงอเจ้าค<ม>่ะ<ม>ถ้าอารินตันก็จะออกลงไปหน่อยลงไปหน่อยก็น่าจะประมาณถึงสามถึงถึงสี่สิบนาทีถ้ารถติดเจ้<ม><ม>าค่ะขับไปแต่ถ้าวัดที่ถ้าวัดในดารลัสเลยวัดดารลัสเลยลูกไม่ค่อยจะเข้าไปเพราะว่า<ม><ม>เป็นวัดใหญ่แล้วคนค่อนข้างเยอะอืมเ<ม>จ้าค่ะ ลูกไปวัดแคลเลอเพราะว่าคนค่อนข้างน้อยแล้วก็เลือกวันไปที่คนน้อยน้อยมากวันน้อยอย่างมี <c oughs> ใช่เจ้าค่ะถ้ามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยลูป ก, ก็ไม่ค่อยไปแต่ไปวันที่แบบไม่ไม่มีงานเป็นเงียบก็สงบสงบมากเจ้าค่ะสงบตอนก็นคือคือเราทํ า, าวัดเช้าเสร็จแล้วก็ช่วยช่วยจัดครัวนิดหน่อยคือเขาจะมีคนที่อาศัยอยู่แถบนั้นนะมามาจัดครัวคือไม่ได้ทําเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วก็ เราทานที่นั่นเสร็จเรียบร้อยพอตอนบ่ายก็คือเป็นของเราเลยคือสงบแล้วก็แม่ชีก็ช่วยอบรมสั่งสอนช่วยให้ c, ทำมาสนดนาทำดีมากเจ้าค่ะดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเจ้าค่ะแล้วก็เงียบสงบเจ้าค่ะเนื้อสปายะสถานที่สปายะเจ้าค่ะร่มรื่นได้กัญญาณมิต <c oughs> ร<ๆ>ที่ดีเจ้าค่ะเกื้อนหนุนกัน ลูกก็เดี๋ยววันนี้ลูกไม่ได้ไปเพราะว่าลูกเข้าซูมของพร่อาจารย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็จะไปสวดบนเช้าลูกชอบสวดบนเช้าเพราะว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันทาให้ลูกตื่นนะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกเป็นคนขี้เกียจชอบนอนแล้วตื่นสายตื่นหกโมงแต่ <c oughs> พอได้ไปทําวัดเช้ากับกับพระแล้วก็แม่ชีทําให้ลูกต้องตื่นตีสี่ก็ะซิือนอนถึงแม้ว่าอาจจะต้องขับรถไปแต่ว่ามันก็ทําให้เราเราตื่นนะเจ้าค่ะตื่นตอนเช้าได้ ทำเองที่บ้านไม่ได้ทําเองที่บ้านลูกลูกไม่ตื่นไม่ได้เจ้าคะ่ะลูกไม่เข้าใจแต่ถ้าอยู่ที่วัดลูกตื่นได้เจ้าคะ่ะถ้าอยู่ที่วัดอย่างอยู่ที่วัดเนี้ยลูกจะตื่นมาตีสามมานั่งสมาธิเองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านมันจะแบบเอออีกหน่อยนะอีกหน่อยน <c oughs> <ไป S 1> ะหมาความว่าก็อบวงเจ้าค่ะเราจะ<ง>ไปวัดก็ต้องตื่นจากบ้านไปไม่ใช่เลยเจ้าค่ะเมื่อตื่นแล้วก็ไม่ต้องไปไหว้ต้อตื่นบ้านเขาไหว้พระสวดมนต์ตรงนั้นอะไรก็ได้ มันขยังขุนช่จ้ะ <c oughs> มันยังขุนตัวเองไม่ได้เจ้าค่ะขุนตัวเองช่วงเช้าไม่ได้เจ้าค่ะแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยได้ช่วงกลางคืนลูกก็นั่งของลูกไปได้แต่ช่วงเช้าเนี่ยมันกเลนมันอยาก <c oughs> ออกข้างนอกกิเลมันอยากจะอกอกข้างนอก <c oughs> อะไรวะอุตส่าห์ตื่นแล้วขับว่าไปน้องไกลยเพื่อไปไสวนนวลทั้งที่เขาที่บ้านเองก็ไ ส, ส่วนมนต์แต่ลูกอยู่ทั้งวันเจ้าค่ะลูกอยู่ทั้งวันส่วดมนต์เสร็จแล้ว ก, ก็อยู่ที่วัดทั้งวันเลยเจ้าค่ะคแล้วก็ตอนเย็นเลยถึงค่อยกลับมาบ้านเ<อ>จ้าค่ะไม่ไม่ได้แบบไปเฉพาะตอนเช้านะคะไม่ใช่ทำไมไม่ไมค้างแรมไปเลยอ๋อค้างก็ถ้าสะดวกก็จะค้างแต่ถ้ายังไม่สะดวกก็ก็จะกลับเออเจ้าค่ะเจ้วค่ะก็ก็ก็ดูตามสถานการณ์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วลูกก็ค้างอยู่ที่ น, นู่นก็ก็สบายเลยเจ้าคะ่ะลูกลูกชอบนอนอยู่วัดก็สัปดาห์ที่แล้วก็ค้างแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเจ้าคะ่ะก็ ก, ก็ทุกอย่างรู้สึกว่าประสบการณ์ดีมากเจ้าคะ่ะดีมากได้ความรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติ ด, ดีเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะแล้วก็ได้แม่ชีที่ที่ท่านก็เมตตามากๆแล้วก็ช่วยช่วยอบรมสั่งสอนแล้วก็ช่วย แบบช่วยผักดันเรื่องการปฏิบัติมากๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็จะไปอีกแล้วก็อยู่ทั้งวันเจ้าค่ะอยู่ทั้งวันเจ้าค่ะถ้าค้างได้ก็พรุ่งนี้คงค้างไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอยู่ทั้งวันแล้วก็ค่อยกลับมาตอนเย็นเจ้าค่ะเจ้าค่ะยังปฏิบัติยังพยายามหาทางอยู่เจ้าค่ะยังยังไม่ไม่ถอยถอย เจ้าค่ะ ก, กับขอบพระคุณเจ้าค่ะอ๋อแล้วลูกได้พบเอ่อฝรั่งท่านหนึ่งชื่อดานิเอลแล้วลูกส่งลิงก์ให้เขาเพื่อให้เขาได้เข้าวันอังคารเจ้าค่ะอืมก็เขาคงบอกเขาก็อยากจะพบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอเดี๋ยวค่ะก็เลยส่งลิงก์ให้เขาแล้วก็วันอังคารแนะนําให้เขาเข้ามาพบพระอาจารย์เจ้าค่ะเพื่อถามตอบสนทนาธรรมเจ้าค่ะโอเคเดี๋ค่ะกขอบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุกลไปได้อาจารย์พรหมพิราย อาจารย์คุณลูกกุ้งตือนไหมครัวันนี้ไปปาร์ตี้มากเลยอรรมศการอาจารย์ค่ะลูกค่าลูกมัแล้วค่ะก็คุณลูกกุงก็ก็เกิเต็มร้อยแล้วนะคะเต็มร้อยแล้วมั้งค่ะสุขภาพนะคะน่าจะถือว่าเต็มร้อยเต็มร้อยไหมครับมาแล้วครับอภิมศการอาจารย์ครับไปปาร์ตี้มานันทั้ เป็นยังไงเพรไม่ได้ยินเสียงเอ้าวพูดสิไปแต่ก็ไม่ได้พูดกับพ่อพ่อได้ยินแล้วอ่าได้ยินพ่อได้ยินแล้วครับอ่าได้ยินเขาไปปาร์ตี้มาหรือบอกวันนี้แหรอฮะใช่ครับรีวิวเนี่ยนะพอเดวิดก็พยายามที่จะชวนไปร้านลูกสาวก็ได้แค่แค่หกคนที่เห็นนะฮะ ก็ดีนานๆจะได้พบ้าปากกันนะนี่ก็เป็นเวลาหลายเดือนฮะกว่าจะได้เจอกันทีส่วนใหญ่จะเจอทางรลย์อันนี้เสียงสดใสนี่เสียงมีพลังนะได้เริ่มไปซ้อมกอบแลพลังเริ่มกลับมาเดี๋ยวถ้าหายเป็นปกตินะใจเย็นๆรักษาไปเรื่อยๆ Okay, น่าจะใกล้กาน่าจะใกล้ปกตินะคะโอเคสาธุเดี๋ยวปเดือนจะได้ไปการาบพระาจาร์โอเคสาธุคุณซันนี่แบงคอกพูดได้เลยคุณซันนี่เสียงไม่เข้าเป็นเพราะอะไรเปิดหมายนั่นเอง มีบัญหาตอนเข้ามาอาจจะไม่ได้ก่อนนท้ายอ่านกันนะแม่สการค่ะเอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินนะจ๊ะค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามเหมือนเดิมค่ะพอาจารย์โอเคเป็นไปได้คุณหมอภาศนะเช่คุณหมอค่ะความนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์นี้เดี๋ยว เดินจงกรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์เตรียมพร้อมในสัญชิกตอนหลังก็กะว่าเดินจงกรมก่อนแล้วก็ในสัญชิกพอตีห้าเราค่อยเดินจงกรมต่ อ, <c oughs> อแล้ว่าวันทะเลาะวันทะเลาะหดอาทิตย์ที่แล้วก็พ อ, พ อ, พอทําเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่ก็โอเคนะพระอาจารย์ไม่มีความรู้สึกอะไรไม่นุ่น้อนไม่ได้นอนไม่ได้ไไดไก็ทําปกติเหมือนเหมือนเปนหนึ่งในชีวิตประอาจารย์เหมือนกับปกติเวลาหัดแต่รู้สึกก็คือมันสงบดีมากค่ะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเตรียมกดไปแล้วนะคะ ก็ไปกับพี่หนุมก็จะไปที่วัดสมพ่อสามดงเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีงานอะไรก็จะไปช่วยนะคะแล้วก็จะไปอยู่วัดด้วยก็อาจจะ ก, ก็ลองดูเพราะปกติไปวัดจะไปวันที่วันที่คนน้อยไม่เคยไปวันคนเยอะเลยค่ะคราวนี้ก็จะลองไปแล้วก็ลองที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีชื่อเราก็ปักกดไปเลยเพราะเราคนก็ได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะกลับมารายงานนะคะว่าอาจารย์ไปช่วยแล้วก็คุณพ่อก็ทําบุญเพราะว่าคุณพ่อคงไม่ได้ไปเพราะว่าคนจะเยอะก็เลยบอกคุณพ่อว่าทําบุญก็นละกันฝากไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมา โอเคคาก็อะไรไปเชิญคนณแนนต่อคุแนนอยู่ที่ไหนอ๋อเฉลยแล้ว่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งกลับมาจากเอ่อเพิ่งกลับมาถึงญี่ปุ่นค่ะมาจากนิวยอร์กเช้านี้ค่ะอะ๋บินทั่วโลกลยนะอยเงี้ยโอบินเหนื่อยเลยค่ะเวลามันนี่แอบไม่สบายกลับมาด้วยเพราะว่าเวลามันมันตรงข้ามกับบ้านเราเลยค่ะเช้าเย็นเย็นเชา้าค่ ะ, คะก็เลยแอบไม่สบายกลับมานิดหน่อย ค่ะควันนี้ไม่มีก็ได้พักในพักเกี่วันถึงยัเป็นต่อยเอ่อ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าเินไกลขนาดนี้เอ่อระหว่างที่อยู่นิวยอร์กเขาก็ให้ได้สองคืนค่ะแต่ว่าแต่เดี๋ยวเนี้อันนี้กลับมาพวกนี้กลับบ้านแล้วค่ะก็จะได้อยู่อยู่หลายวันหน่อยอย่างน้อยก็สี่ห้าวันนะคะก็คงได้ผักพักล่างนิดนึงตอนนี้อย <c oughs> ู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะ ใช่ค่ะก็คือทุกไฟล์ของหนูก็ต้องกลับมาที่ญี่ปุ่นก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นเป็นลูกเรือของเขา <Yeah. S 2> แล้วเราค่อยพนั่งกลับบ้านใช่ค่ะค่อยนั่งกลับบ้านไปเป็นผู้โดยสารก็ได้พักไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็มามาเข้ามาจอยมามารับเอาขอความรู้ค่ะไม่ได้ไม่มีคำถามอะไรค่ะมันยังนั่งปฏิบัติไม่ค่อยไม่ได้เพราะว่ามันมีเนี่ยค่ะอย่างที่หลวงพ่อเห็นก็คือ มันจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องเวลาค่ะบางทีพอพออยากจะนั่งก็มันเป็นเวลานอนพอเวลาตื่นมันก็เป็นเวลาต้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะพอมันหยุดพอถึงเวลาหยุดมันก็เป็นเวลาแบบที่เมืองไทยบางทีเราก็ยังปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรก็ก็จะนั่งเด็กไว้ค่ะแต่ก็เดี๋ยวกลับบ้านก็ก็ค่อยอพอพอเป็นเวลาที่บ้านมันก็คงได้ได้นั่งได้นั่งได้ทุกวันนะคะได้ได้ปฏิบัติต่อ ส, <že> สะสมสะส์ไปเรื่อยๆก็พยายามอย่าไปคิดว่าต้องไปทําที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้ถ้าสะดวกตเมื่อไหร่ก็ทํามันตอนนั้นได้ค่ะก็เพรานั่งมันเหนื่อยค่ะหลุงพราพอมันบินนานค่ะไฟทามันนานพอพอเราแลนพออยากจะนั่งเนี้ยลองฝืนนั่งดูไปสักสิบยี่สิบนาทีสักพักมันเริ่มสับประโมก ก็เลยต้องออกเนี so ้ยค่ะก็คือนางได้เท่าที่ที่ทำได้ตอนนี้ค่ะแต่ก็เอาเอามาเอาใช้วิธีพยายามใช้ในชีวิตประจำวันไปก่อนเอาเอาสติเอาสมาธิมาใช้ในการทำงานแล้วก็การเจอผู้คนไปก่อนนะคะเดี๋ยวปลายเดือนค่อยค่อยไปที่วัดไปไปใช้เวลาเต็มเต็มสักสองสาวันลองปฏิบัติดูสักรอบหนึ่งก่อนจะได้แบบว่าได้วิธีถูกต้อง มาใช้ปฏิบัติเองที่บ้านด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ อ, อคะอ่ะอะเจา้าเจ้าคุณมาลิกาดาราที่ว่า <c oughs> สามน้ำมาสการเจ้าค่ะวันวันนี้ลูกไม่มีคำถามค่ะมากกลับผ้าจานนะเจ้าเห็นไปที่คุณแนนคุณแนนก็ไม่มีคำถาม าการนมัสการพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้ค่ะอ่าคุณยินดีก็ไม่มีคําถามใช่คุณยินดีดนดข้าท่า <c oughs> เข้ามากราบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดวิดฝากกราบเหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์บอลซองเต้ค่ะโอเคขอบคุณมากสาธุค่ะอ่าบายที่คุณทิสาเ LA, <c oughs> อลเลยลอสแอนเลิกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ ดูก็ไม่มีคำถามเหมือนกันค่ะผาจานได้คําตอบมาเยอะค่ะได้คําตอบมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ตัวลูกเองอะค่ะลูงปฏิบัติค่ะอยู่ที่สาความที่ชาวเราเนี่ยตัวปัญหาใช่ค่ะต้องให้ตกผลิตเป็นปัญญาให้ได้อ่ะค่ะผอาจารย์ก็เรื่องปล่อยวางร่างกายค่ะผอาจารย์แต่ก็ดีขึ้นนะคะผอาจารย์ค่ะอย่าไปคิดความอยากคิด คิดแบบไม่อยากกินแบบปล่อยวางค่ะีอะไรในใจของเราค่ะก็ยากนิดนึงนะค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ลักตัวจนคือมันเป็นสิ่งที่แบบยากค่ะพระอาจารย์ฝังลึกมาในใจเราตามน้ำใจของใจเลยค่ะถ้าถ้าแบบถ้าคิดตั้งแต่เด็กๆอะค่ะพรอาจารย์คงคงจะดีค่ะนี่แบบอายุเยอะแล้วค่ะมันก็สลัดออกยากค่ะพะอาจารย์ เ <Okay, S 1> ก็ให้สอนคนแก่ยากสอนเด็กใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ให้คิดตั้งแต่เด็ ก, ดกนี่รู้ว่าแบบดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิด<ม>เด็กเด็กเขา ร, รู้รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กอะค่ะสน<ม>ใจพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก<ม>ก็จะทําให้แบบฝังคือสัญญามันจะเป็นปัญญาได้ง่ายมากกว่า พ, <ม>พอพรอันนี้มันเราฝังลึกมากมา ก, มากค่ะพระอาจารย์ก็เลยยากนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ย่อท้อค่ะพระอาจารย์ ก็พยายามคิดตลอดเวลาอย่างที่พระอาจารย์บอกคิดจนกว่ามันจะเป็นปัญญาให้เป็นปัญญา mm. เพราะบางทีถ้าถ้าหวังจากการนั่งสมาธิะบางทีมันคือมันจะให้เกิดอุเบกขาจนเราเห็นเห็นร่างกายแยกแยกแยกายแยกใจมันคือสําหรับลูกมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะพระอาจารย์ mm. มันสงบแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่วรตาต้องแบบแยกแยกายแยกใจให้ได้อะค่ะพระอาจารย์ mm. ก็พยายามทำไปเรื่อยๆเนี่ก็ได้ค่ะ<ม>บา ง, งทีทมันความชำนิยน่ะค่ะะอาจารยบางทีมันคิดพอมันคิดคือทําให้เราในในสมาธิจากที่เราสงบอยู่มันมันกลายเป็นกิเลสแล้วมันก็เลยทําให้คือสมาธิมันก็หลุดนะคะ่ะพระอาจารย์รู้รู้ตัวด้วยค่ะแต่ว่าพยายามอยู่บางทีมันมีกิเลสตัวนี้มาคอยขัดขวางคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็ พยายามตอบไปค่ะค่ะพระอาจารย์ดูตอไปไม่ไม่หยุดค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุแขนแข็งแรงนะคะโอเคตุ๊กตาเปียมาดเจนีวาเจนีวาเจนีวาที่พระอาจารย์นมัศการอะไรเอ่ยนมัศการค่ะพระอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีโอสบายดีค่ะถ้าทางโลกสบายอยู่นะค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงตอนนี้หาวไห ม, มหรือร้อตอนนี้อากาศเ อ, อไม่ค่ะตอนพอดีว่าเมื่อเมื่อคือนนี้มีเอฝนตกหนักวันนี้มันก็เลยคืมๆก็เลยเย็นขึ้นเพราะว่าเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเมื่อสองสาวันก่อนมันร้อนมากค่ะอาจารย์ร้อนแห้งถ้าเมืองไทยจะเป็นร้อนชื้นมันก็จะต่างกันค่ะก็ถ้าปฏิบัติไม่มีคําถามค่ะเพราะว่า รู้ว่าต้องทํายังไงต้องดึงสติในการดําเนินชีวิตเพราะถ้าอยู่บ้านใช้ชีวิตทางโลกเ อ, อชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะมีผลต่อการนั่งสมาธิมากกว่าถ้าเราไม่มีสติทั้งวันแล้วไป น, นั่งสมาธิแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็เลยยังพยายามทําที่ทําบอกที่พระอาจารย์เคยสอนว่าตอนที่ฟังธรรมพระอาจารย์นะคะว่าขับรถให้ดูกายไม่ใช่โวแต่พูดโทพูดโท เดินขึ้นอะไรให้ดูมื้อร่างกายเราขรับขยำยังไงแต่ว่าพอมันเผลอปุ๊บมันก็จะเข้าพุโทโธค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ก็พยายามปรับให้มันเข้ากับเ อ, อ่อเ้าเรียกอะไรนะคะอาจารย์ชีวิตที่เราต้องใช้อยู่ตรงนี้นะค่ะอาจารย์ถ้าถ้าไปปฏิบัติอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าทํางานก็ต้องอยู่กับร่างกายก่อนเดี๋ยวทาผิดพลาดได้ ใช่ค่ะพระอาจารย์คือมันแปลกมากคือช่วงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันหนูนั่งทํางานอยู่เห็นร่างกายทํางานเห็นความคิดทํางานเหมือนเราดูดูไอ้สองอย่างเนี้ยพอเราตกใจเราก็เลยกลับมาแล้วพยายามแบบควบคุมสติควบดึงสมาธิให้อยู่กับงานไม่ให้อยู่กับความคิดอ ไ, ไม่ถึงตกใจเรากคะ่ะแค่สึกแปกใจว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อะไรทาไมบบเราถึงปล่อยไปกับความคิดเราอย่างเนี้ยค่ะ ปิดไปเ ป, ปไปเราจะแยกตัวรู้ออกจากความคิดออกจากร่างกายตัวรู้จะดูร่างกายจะดูความคิดจะเห็นความคิดอ๋อหนูพระอาจารย์หนูเคยเห็นเคยเคยถ้าช่วงที่ปฏิบัติเลยมันจะเห็นคล้ายๆเรามีกันสามคนนะพระาอาจารย์อ่มีสามคนคนดู <c ười> คนหนึ่งคนคิดคนหนึ่งคนรับสารความคิดอีกคนคือร่างกายใช่ค่ะพระอาจารย์คือเอาที่นัหนูเคยปฏิบัติแล้วมันมันเคย ตอนนั้นนั่งแล้วปวดขามากปวดแล้วก็มองแต่ปวดปวดพอดีมองปุ๊บเห็นความปวดมันแยกไปเห็นไอ้อันนี้หนูไม่คืออะไรแต่รู้ว่ามันนิ่งมันเฉยมันไม่ไม่ไมรับรู้เราเห็นเราอ่ะมองกันอยู่สามคนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ตอนนั้นมันไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะอาจารย์ก็เห็นชอกพักก็เบื่อก็เลยออกมาพอออกมาก็ออกก็รู้ว่าขาเจ็บอะไรมันก็นั่นนั่นแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติคือสถานที่มันพร้อมเราไม่ได้มีแบบ นิสัยที่ Dante, ว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์หรือพระอาจารย์ไอ้โทรศัพท์ดีตัวนี้ ent, หรือคืออยู่ที่วัดทําทําตาม store, ที่ว่าสิ่งที่ควรจะทําตามที่ที่ควรจะทําที่วัดค่ะพระอาจารย์ไม่มีแบบนั่งดูโทรศัพท์กิน <ihrem> น <hn> ู่นกินนี่เลยหนูก็เลยคิดว่าเออมันอะไรมันพร้อมที่เราจะให้ให้เห็นอย่างนี้แต่ก็คือแค่มีประสบการณ์แค่ครั้งนั้นแหละค่ะพระอาจารย์ที่เหลือก็เล็กๆทำต่อไปเรื่อยๆมันก็ผมขึ้นมาใหม่ ปกเสด็จอะไรได้ควบคุมความคิดแล้วต่อไปมันก็จะแยกออกจากใช่ อ, ออกจากตัวรูอ๋อตัวรู้โอเคค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามแต่จะมีคําถามที่ว่าเมื่อช่วงต้นที่พระอาจารย์คุยกับท่านหนึ่งคะคะว่าพระอรหันอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากรู้ว่าพระอรหันกับกรรมอ่ะมันเขาทำงานกันยังไงคะพระอาจารย์ถ้าคนหนึง่งหรือพระองค์นึงที่ว่าปฏิบัติจนถึงเป็นพระอรหันแล้ว แล้วกรรมที่เขามีติดต่อไม่จะเป็นบุญหรือกรรมอะไรอย่างเงี้ยะที่มีติดตัวมาอย่างเงี้ยพรัอาจารย์มันออจะหายไปหรือยังไม่หายเหรอถ้ายังไม่ตายถ้ายังมีร่างกายอยู่กรรมเก่าที่เคยทําำยังตามมาให้ให้คุณให้โทษได้อย่พออระรอราจารย์ลงลูกก็ถูกกรรมเก่ามาตามร้างแค้นใน่าะถูกฆ่าตายกันไปแล้วเมื่อครออั้นะเป็นแต่ว่าใจท่านไม่เดือดร้อนท่าใจท่านไม่มีกิเลส แต่ร่างกายนี้ท่านป้องกันไม่ได้ป้องกันกรรมไม่ได้ป้องกันได้แต่ที่ใจใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ร่างกายก็ต้องรับผลของกรรมไปถ้าถ้าถึงเวลาที่กรรมมันจะจะแสดงผลอย่างพระธเจ้าก็มีกรรมว่าอยาหิวน้ําอยากจะให้ไปให้ให้ผ้ามันไปตักน้ําให้อื่นนั่งก็คุนพระเจ้าว่าอ๋อชาติก่อนใครแกล้งพวกพวกอวบ หัวควายมันไปทำน้าให้กลุ่นเวลาที่หัวควายมันจะกินน้ำอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือเราฝึกแต่แต่ใจถ้าไม่ทุกข์กับการต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวนั่นเฉยๆเข้าใจแล้วค่ะก็คือเราที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยก็คือฝึกว่าอย่าไปทุกข์อะไรเมื่อว่าเรื่องอะไรไเข้าอะไรจะเกิด ข, ขึ้นก็ยอมนัําไป แก้ได้กแก้ไปทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องรับผลของมันไปขเพระคุณค่ะไม่มีคําถามแล้วคะ่ะสาธุสาธุค่ ะ, <สา S 1> ะคุณอภิเศศสกลนครตามธรรมมาส ก, การพ์พระอาจารย์ครับไม่มีคําถามกับอาจารย์หาไปไหนมาอ๋อ <laughs> ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับอาจารย์ก็อไม่ได้เข้าม า, รา okay. Okay. ครับอาจ า, ารย์คร <c oughs> ับสาธุคุณมาลีวุฒิอาารย์กลับห้องค่ะยังปฏิบัติอยู่ค่ะห้องสงบดีมีสมาธิดีใจเย็นใจใจสงบดีค่ะห้อง ก็ดระละวางวางปล่อยๆเท่าที่ mm hmm. จะได้ค่ะหลวงพ่ออย่างเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยค่ะมีมีปัญหากับที่ทํางานแต่นูไม่ได้วินมีปัญหาขเขาแต่ว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยก็คุยกันอู่ปกติอยู่อยู่ก็เขาโกรธรุนแรงคร่ะหลวงพ่อโกรธแบบโกรธแบบตะโกนเาใส่ในโทรศัพท์ของค่ะแล้วก็กระแทกตัวโทรศัพท์ใส่อะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็แบบ ไม่ฟังอะไรเลยอย่างนี้หนูก็ไม่ไม่ได้ไปตอบโต้ตอะไรค่ะหลพคือถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนเนี้ยหนูก็คงไม่นิ่งแบบเนี้ยค่ะหลวงพก็เหมือนเหมือนอยู่ด้วยสเต็กอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเหมือนแบบเหมือนดูอะไรสักอย่างหนึงนะ่งแล้วเราก็ดูที่ใจเราว่ามันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะหลวก็ก็ยังสงบได้ดีค่ะอย่างนั้นก็วันเฉยให้ได้ไปตอบโต้มันก็เป็นแต่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้ มัน <S <S มันต้องอยู่กับคนทํางานที่เหมือนจิตเขาไม่ค่อยปกติตอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเรื่องอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นข้อสอบแต่ว่าเป็นข้อสอบของเราหลวงพอเขามันมันคนเยอะเยอะอะรวมเหมือนเขาทำให้เราอับอายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่านั่นแหละอับอายหรือเปล่าถ้าอายก็ถ้าอยก็สอบตกถ้าไม่ไม่อายเฉยเฉก็ไม่ตกก็เฉยเฉยไม่ไม่ได้อะไรแล้วทีนี้มันต้องมันต้อง ดู ง, งานให้จบละค่ะหลวงพ่อหนูก็เดิน mm hmm. เดินไปหาเขาที่โต๊ะอะไรเงี้ยก็เสียงปกติเอาจนงานเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ไ ม, mm hmm. ไม่ไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค mm ่ะอืมแต่แต่หนูก็แอบสังเกตเขาเหมือน mm hmm. เหมือนเขาก็เหมือนรู้สึกผิดแต่เขาก็ยังไม่ยอมอย่างเงี mm ้ยค่ะก็แต่หนูก็ไม่ได้ไปว่าต่อว่าอะไรเลยนะคะหลวงพ่อก็ คือต้องอยู่กับคนทํางานแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมีทุกวันนะ่ะเพียงแต่ว่าก็ดีก็ดีให้มันทดสอบทดสอบใจออกมาได้โอูมันมันรู้สึกมันรุนแรงมันบอกมีปัญญาบอกเกิดมันบอกมีบอรลมีบอกเกิดค่ะหลวงพ่อหนูก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะมาทดสอบอะไรหนูหรือเปล่าว่าหนูจะนิ่งได้ไหมจะจะเติมีขันเตะมาจะจะอดทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอแต่มันก็ ผ่านไปด้วยดีจนวันเนี้ยก็ไม่มีอะไรค่ะหนูก็ก็ทําหน้าที่ไปนะคะอแล้วก็มานั่งมาปฏิบัติอย่างเงี้ยหนูก็หนูมีความรู้สึกว่ามันมันสงบมันมันดีอ่ะมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเอาอะไรมาแบกอยู่ในใจเราอะค่ะหลวงพ่อมันมันวางมันถอยอ่ะหนูว่าถ้ามันมีปัญญามันจะปล่อยวางทุกอย่างใช่ไหมหลวงพ่ออย่างเป็นทุกข์ไปแบกทำไมเอามาเอามาใส่ ใส่ใจเราทำไมไปคราบทุกข์คะแล้วใจมันก็คิดบอกว่าเอ้านั่นเขาทําไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่หนูก็ยังดีใจว่าเออหนูหนูไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีต่อเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็มันใจมันยังคิดแบบนี้ด้วยค่ะแล้วมันก็มไม่ไม่ได้ใส่ใจก็ถอยถอ ย, ถอยออกมาอย่างเนี้ยค่ะอยู่เฉยๆแล้วเราทำดีทํำช่วยกันถ้าใค่ะแ ถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนหนูหนูไม่ยอมค่ะหลวงพอ่อหนูหนูจัดจัดแบบจับหนักเลยค่ะหลวงพอ่อแต่ว่ามันก็จัดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเหมือนเอาชนะกันยนนหนูแบบแพ้เป็นพระชนะเป็นมาไงหนูหนูหนูจะนึกถึงคำที่หลวงพ่อบอกว่าทำตัวให้เหมือนดินเขาจะถม่มจะถยุยจะเหยียบอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราเราเฉยเรา เรานื่งหลวงพ่อแต่ว่าตอนแรกๆมันทํายากเหมือนกันนะคะหลวงพ่อถ้าไม่ได้มีธรรมมามาอยู่ในใจหนูว่ามันทําแทบจะทําไม่ได้เลยะค่ะหลวงพ่อ <S <S แต่พอเราพอเรามาแบบเนี้โอ้โหหลวงพ่อคนคนต้องเป็นสามสิบสี่สิบคนแล้วก็ทําเหมือนให้ให้เรากลับอายอะไรเงี้ยทําเหมือนเหมือนที่เขาเคยทำอย่างนี้ยค่ะ <S 2> <S 2> แต่แต่หนูก็คือมันผิดไปจากเดิมที่ที่หนูเคยเป็นอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อก็เฉยเฉย ไม่นะคือปลงโยงนการปฏิบัติไม่ทุกข์กับอะไรค่ะหลวงอดีแล้วล่ะต่อไปนะค่ะหลงพ่อต้องขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งค่ะหลวงพ่อยังระลึกถึงคําสอนของหลวงพ่อเสมอค่ะหลวงพ่อขอขบคุณพระพุทธเจ้านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นค่ะหลง่อเราเป็นเพลงมูรุดไปชนีถ้าถ้าหลวงพ่อไม่ไม่ให้โอกาสมัน มันก็ยังมืดยังบอดอยู่ค่ะหลวงพ่อมันก็ยั ง, ม, ยงมันก็ยังเหมือนเคยเป็นยังไงก็ยังเดินอยู่อย่างนั้นนะคะย่าไปลืมย่งไม่ลืมเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมคือพระพุทธเจ้าทำหน้าหมดได<ะ>้มาจากพระพุทธเจ้าน<ะ>ั่นแหละค่ะไม่ไม่ลืมค่ะหลวงพ่อหนูก็กราบท่านทุกวันก็ปฏิบัติทุกวันยังระลึกถึงพระคุณท่านทุกวันค่ะหลวงพอ่อถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหลวงพ่อจะไม่ได้มานั่งคุยธรรมะกันอย่างนี้เพราะไม่รูเจักอะไมาคุยกัน ค่ะหลวงพ่อโอเคนะํำตอบค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะใกล้ใกล้ละใกล้กันไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ใกล้ใกล้ละฮัลโหลโอเคคุณหน่งเป็ไงใกล้ไหมใกลใกล้ด้วยไกลคุณหน่งเก่านมัสการเละค่ะไม่ไกลไม่ไกลไกลไกลค่ะ ยังไกลอยู่กิเลสหยาบหยาบยังไม่พ้นเลยพระเจ้าหนูยังแบบว่ากินข้าวเย็นกินเยอะด้วยอะเห็นแล้วก็อร่อยไปสะดุดใจเนี่ยเนื่งปฏิทูลเป็นหมดนะเนื่องพิจารณาไม่ได้พิจารณาค่ะกินก่อนเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมาสํานึกผิดมีวันหนึ่งหนูแบบว่าตอนเช้าสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านแบบสละ แบบวางสละทุกอย่างออกบวชทำไมตัวเองแบบแค่อาหารมื้อเย็นยังจะต้องแบบมานั่งแบบยังจะอยากกินแค่นี้เองแต่มันก็ทำไม่ได้สะทีนคะคะมันเหมือนยาเสพติดเนีย้ยยาก<อ>เลิกยากของอะไวบางที่เราเคยติดที่มันเลิกยากกับอบอกพราะคุณพระอาจารย์อย่างมากค่ะเพราะว่ามันมีข้อทําหลายอย่างที่ที่หนูได้ศึกษาช่วงช่วงเนี้ยค่ะ ก็อย่างบทธรรม จ, จักเนี่ยหนูก็สวดมานานแล้วแต่ว่าพอมาคือคําว่าแบบศึกษาธรรมมันกว้างมากอย่างพออริยสัจแล้วก็เข้าใจทุกสมุไทยนิโรธมาแต่พอเรามาตีแต่ละข้อแต่ละข้อรายละเอียดมันก็เยอะมากแล้วแต่ก่อนเนี่ยคาว่ามาชิมาปฏิปทาทางสายกลางเราก็เรียนแต่เด็กอมามาชิมาปฏิปทาทางสายกลางนะแล้วบางทีคนก็ชอบเอามาแบบมาใช้กันแบบสนุกสนานแบบว่าอะ อันนี้เขาเรียกว่าทารามานตนและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าพอมาศึกษาจริงๆบางคนก็จะบอกว่าอะนั่งสมาธิอ๋อโอโหยถ้าเกิดนั่งนานๆเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่ทางสายกลางและพอโยมมาศึกษาเอาเข้าจริงๆคือมัชชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองแตกมันก็ต้องแตกไปอีกแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อทีนี้เราก็มาศึกษาอริยมรรคมีองแตกอย่างเงี้ยคุณเจ้าพอมา หลายๆข้อเลยนะคะก็คือเจ้ายมได้แบบได้เข้าใจจากหนังสือที่ว่าได้มาจากที่ธรรมะนากุติอ่ะคะ่ะในเบญจางคภสูรนะคะว่าเอออริยามรคเนี่ยพระอาจารย์อธิบายว่าแต่ละข้อรายละเอียดนะคือมันอย่างนี้นะโอเคพอมาสัมมาสติยมยมเอ้าสมาสติก็คือสติปัฏฐานมันก็คือต้องมานั่งเห็นแบบแต่ละข้ออีกรายละเอียดเยอะมากอะเห็นกายในกายเห็นเวทานาในเวทานา เห็นธรรมในธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เห็นจิตในจิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคื อ, อรายละเอียดมันคือเยอะในแต่ละข้อคือมันก็ต้องมาปฏิบัติอีกว่าสมมติว่าเห็นกายในกายมีอะไรอนาปานสติคือยังไงทํำยังไงเราถึงจะแบบให้ได้ตรงนี้ทีนี้ว่าพอมาข้อสุดท้ายอะ่ะพอสัมมาสมาธิอะ่ะพอยมงอ่านอา้าวสมาสมาธิคือต้องได้ชั้นสี่อีก คือถ้าไม่ได้ฌานสี่ก็คือว่าไม่ได้แล وں, ้วยมว่าอะประท่านปัญจาวาคีทั้งห้าเนี่ยท่านบนรรลุเพราะว่าท่านอ่ะบําเพา็ญยยมคิดของโยอมเองอ่ะว่าท่านคงบําเพ็ญมาเหมือนกับว่าท่านคงทะลุไปแล้วอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะพวกฤาษีอ่ะเขาต้องแบบชอบไปอลูกฌานเขาก็แค่แบบฟังธรรมเขาแค่ถอยมาเป็นแค่ฌานสี่ปับ๊บเขาเข้าใจปับ๊บเขาเขาเข้าแบบเหมือนกับว่าเห็นสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาแล้วมันต้องดับไปเขาพิจารณาไตรักปั๊บเขาชั่วเลยเขาก็เลยเหมือนแบบบรรลุโสนาบันได้อย่างเงี้ยค่ะพระคุณเจ้าแต่ว่าพอแบบของเราอ่ะโอ้ยสมาธิว่าสติอย่าเพิ่งพูดสติเลยสติข้อแรกยังไม่ผ่านเลยเพราะว่ากว่าจะเจริญสติให้จิตอ่ะมันอยู่กับแบบคือประคองจิตอะค่ะพระคุณเจ้ามันก็ยากแล้วอะแล้วกว่าจะมาถึงฌานสี่ยงก็โอ้ เริ่มต่อแต่พระคุณเจ้าอย่างมี้เอไหร่ฉันจะได้ชาติสี่เนี่ยมันถึงจะแบบมีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจแบบรู้แจ้งแทงตลอดนะคะพระคุณเจ้าได้ได้อย่างนั้นคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแลไม่ใช่ว่าทุกสมุทารีรุ่นนั่งที่มันแค่สี่คำเราไปศึกษาแต่ร า, ายการนี่นมันขยายไปเรื่อยๆขยายมากพระคุณเจ้าแบบโอ้ โ, อ โ, ห, โหแบบยุงก็มานั่งคิดอ เกิดขึ้นคอเหมือนกันนะคะพราะคุณเจ้ามันมันมันยากเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีนังเส้นี่ดีสอนวิธีให้เราศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราเราอีกที่สําคัญนะคะคือฌานอะ่ะที่มันได้อะ่ะฌานมันเสื่อมอยู่แล้วอ่ะมันต้องประคองจิตตลอดอะ่ะให้มันอยู่ในฌานอะ่ะแล้วเราอะ่ะคือแบบเดี๋ยวก็จับโทรศัพท์และเดี๋ยวคนนู้นคนนี้แล้วเราในยุคนี้อย่างยุคก่อนอะ่ะมันไม่ค่อยมีเครื่องแบบ เขาอยู่ในป่าไงแล้วเขาก็หลีกลีผู้คนเขาก็อยู่ของเขาเขาก็บำเพ็ญฌานนั่งสมาธิอ่ะแต่เราเนี่ยเดี๋ยวก็ออกไปนู่นไปนี่คุยคนน้องคนนี้แล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยอินสตาแกรมเฟซ o ุ๊กยูเยอะแยะไลน์อีกติ้งติๆงติงติ้งติ้งทั้งวันเลยครับพกคุณเจ้ามันจะชาดหนูคิดมันจะยังไงล่ะเนี่ยมันตกแน่นอนมันจะทำให้เราเป็นบ้ากันนี่ใช่อ่ะ ทีนี้ว่าพระคุณเจ้าช่วยแนะนำหน่อยค่ะในยุคนี้ในยุคออนไลน์ในยุคโซเชียลเนี่ย ม, มันจะยังไงอะคะคเราใช่โทรศัพท์บแบบแบบโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวก็พอเครื่องเค่มาไม่กี่ร้อยเนี่ยใช้โทรเข้าโทรออกได้พอและโเราสพม์ไว้ติดต่อกั น, นัดนเลงไม่ต้องไปดูโซเชียลโซเชียลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทำได้ไหม <inet> ก็ยากยาก็ต้องพยาพยามอะค่ะมันติดยาเซพติดเองไม่อมยอมพวกยูท b e ตอนนี้ยมปกติอยู่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ติดไอ้พวกหนังพวกฟังเพลงอยู่แล้วมยมก็จะใช้ศึกษาทมแต่ว่าบางครั้งอะโทรศัพท์ก็คือไลน์นะไ ล, ลายอย่างเดียวก็ อ, วาอาจจะต้องมันยังต้องสื่อสารอยู่แต่พยายามพยายามอะคะอ่ะแต่มันเกี่ยวใช่ไหมคะว่าพอเหมือนความคิดอะพอพอเราไปเสพปุ๊บเนี่ยมันเกิด อาการแบบปรุงแต่งขึ้นมาแล้วความคิดมันก็เริ่มทํางานและจิตมันบางทีที่มันเคยแบบเพิ่งออกจากสมาธิมันยังแบบสงบสง บ, สงบออกมาเนี้ยอ่ะเดี๋ยวก็มาและเรื่องนูน่นนีน<า>่นั่นความอยากเข้ามาแนละ้วความอยากเสีงรูปเสียงเกินแล้วเข้าม า, นะาะแะอยากดูดูแมวละดูนายละดูนู่นดูนี่ละค่ะความอยากดูรูปมพราะเสียรูปนะเจ้าค่ะต้ตัดหนึ่งไป ก็สถัยที่ไปอยู่ตอนที่เราไปอยู่วัดต่าหลองวัดตาที่วัดห้ามวิทยุห้ามโทรทัศน์ห้ามหนังสือพิมพ์ห้ามโทรศัพท์อันอันก็ไม่มีมือถือแต่ที่วัดก็ไม่ไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ก็ให้เป็นหมดฮะไม่ให้ติดต่อโลกภายนอกเลยถึงจะทำจิตให้สงบได้ง่าย้ามไม่ติดต่อแล้วใจมันมต้องคิดต้องโฟม มันเามานั่งสมาธิมันหยุดชิ้นหยุดปรุงไม่ได้ใชค่ะเพราะว่าสมมติออกจากสมาธิ ด, ดีเนี่ยชานเนี่ยไอคนนู้นมาเล่าเรื่องที่บ้านเยอะล้คราวเนี้ยจิตเราฟังตอนแรกก็อ่ะอ่ะมาเริ่มเยอะแล้วคราวเนี้ยเราจะเราไม่ใช่แบบผู้ทรงชานขนาดนั้นว่าจิตเราจะไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไหลละคราวเนี้ยสมาธิต้องอยู่แบบนั่งบวชอย่างนี้ทำได้ไอันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่ก็อย่างนี้ลนะเนี่ยก็ต้อได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ เจ้าค่ะแล้วมันฟุ้งเลยยิ่งไปเจอเพื่อนน่ะฟุ้งเลยฟุ้งนานด้วยกว่าจะกลับมานั่งสมาธิรวมจิตอีกก็นานอีกบางทีเป็นวันเป็นคืนเลยเจ้าค่ะใช่ใช่ค่ะแต่บางครั้งมันก็แบบเหมือนสั่งโฮมเจ้าค่ะเราจะแบบไม่ครบเลย อ, อ่ะเพื่อนมันจะบ้าปอนี่อะไรเงี้ยออกมาออกมาอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคแต่พอออกไปทีก็ฟุ้งไปอีกกว่าจะนั่งสมาธิแล้วจิตสงบก็ใช้เวลาเจ้าค่ะอืมก็ช้าเข้าช้างออกเนี้ยเดินหน้าถอยหลัง มันเต้นนำมันเต้นนาอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็เดินมันไม่ได้ไปไหนแล้วคนเต้นนำเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เขาก็เต้นได้ใช่ค่ะไปไหนไม่ได้ไปไหนเนาะไปอยู่กับที่ชมเลยว่ามันอาจจะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเราอยู่ทางเนี่ยอยู่ในสังคมมากแล้วก็เรื่องของการบําเพ็ญฌานเรายังไม่เลือกทางเรายังเลือกเอาทั้งสองทางอยู่ เพื่อนก็เอาธรรมะก็เอามันก็เลไอย่างเงี้ยวนเ <Okay. S 2> งินไปโวยเงิมาอยู่ <Okay. S 2> เดี๋ยวสักวันมันต้องเลือกทางแล้วเหมืนอนพระพุทธเจ้าในะที่สุดก็ต้องออกจากวังไปตอนต้นท่านก็อยากจะไปต้องนานแต่ก็ยังรักพี่รักน้องรักอันหนึ่งอยู่นะัตอนที่ไปเห็นคนตายคนเจ็บคนตายข้างหน้านก็อยากจะไปแล้วนะแตก็ยังไปไม่ได้นะายสองจิตสองใจห่วงหน้าห่าวงหลังอยู่ อในที่สุดพอลูกขาวว่ามีลูกแค่ไปไเลยดีกวอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วอยู่แล้วลูกก็ต้องผูกพันกันมันต้องมันต้องตัดสินใจเอาทางใหนทางหนึ่งมันถึงยากเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าอย่างทางนี้อยู่มันก็ล้มลูกคลุกคาไปสลับกันไปสลับแพ้สลับชนะกันไปเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างสรุปก็อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหน ใช่ค่ะก็ได้แค่แบบศึกษาทําให้มันเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปเรื่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไอ้เรื่องการที่จะได้ชาญถึงขนาดแบบชาญสี่เนี่ยเหมือนท่านปัญจวคียอะไรต่างๆยงว่ายุคนี้ยากมากมันจะต้องต้องออกไปในขมะแบบจริงๆจังๆใช่มันอยู่ในป่าค่ะอยู่วัดป่าที่เขาให้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ให้ทําอะไร เดีจะพยายามเจ้าค่ะกับขอบว่าคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสัง่งสอนเจ้าค่ะโอเคแต่น่นาคล้ายเรามีจุดหมายมีเป้าหมายาพยายามเดินไปถึง ส, สู่เป้าหมายนั้นให้ได้เจ้าค่ะตับสาธุเจ้าค่ะสาธุอ่ะไป<จ>ที่อาจารย์สายพิบเชิญอาจารย์มีเป้าหรื อ, อยังว่าจะไปไหนอมีแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มีแล้วนะหมายถึงเป้าที่ที่ที่ที่จะไปแต่ว่า ไม่ไม่ใช่สถานที่นะคะพระอาจารย์เขาคือนิพพานอย่างเดียวเลยค่ะแต่อาจจะตัดตอนย้อนเดนเก้าหน้าเก้าสามถอยสี่เก้าสี่ถอยสามค่ะพระอาจารย์ตัดตอนย้อนอยู่ค่ะพระอาจารย์คะหนูเคยสงสัยเรื่องอคำว่าที่พระพุทธเจ้าท่านให้ละช่วยทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสตอนนั้นหนูสงสัยคำว่าทาจิตใจให้ผ่องใส คือมันผ่องใสยังไงทีนี้มีมีมีวันหนึ่งที่เหมือนมืนใจเราไม่ไม่ได้คิดอ่าไม่มีเรื่องขุนข้อหมองใจหรือคิดเรื่องอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ใจมันเบามากๆเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนเบ้าเบ้าหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่านะที่แปลว่าทําจิตใจให้ผ่องใสอ่ะค่ะพระอาจารย์มันจิตใจสบายไม่เราทําจิตใจสะอาดทำร่าจิตใจสะอ า, าะปราศ จ, จากกิเลสโลโกนหลวงมรรมย ก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกิเลสใช่ไหมคะ อ, ะอาจารย์ไม่น้อไม่ก่อนไม่หลงไม่จริงไม่อกผ่องใสอ๋อก็คือถ้าเราละตรงนั้นได้ก็ถือว่าทำจิตใจให้ผ่องใสได้ค่ะหนูนึกว่าแบบใจที่มันเบาแบบเหมือนเออไม่มีเรื่องคนข้องหวังใจใครแล้วมันดูล่องเบาอันนั้นอันนั้ น, นก็อาจจะกิเลสก็อาจจะพักตัวอยู่ชั่วข่าไหม ช่วงไหนที่จิตเราผ่องใสสบายใจช่วงนั้นกิเลสมันก็ไม่ได้ทํางานค่ะแล้วมันยังไม่ยังไม่หมดมันยังไม่ตายของแค่สองวันค่ะอาจารย์พอเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าขึ้นมาโลกกลอนต้องตามมาเลยอ๋อใช่ค่ะยังยังซ er, ื ja ้อเสื้อผ้าใส่ชุดทํางานอยู่ค่ะอาจารย์ตอนนั้นตอนนั้นไม่ผ่องใสแล้วตอนนี้ใจเต็มไปด้วยกิเลสมัวหมองแะ้มัวหมองแล้ว แล้วก็มีข้ออ้างด้วยนะคะพระอาจารย์นี่ช่ดใส่ไปทำงานเพิ่มก็ช่วงนี้ยังนั่งสมาธิมีช่วงหนึ่งค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิเหมือนมันจะเข้าเร็วแต่ว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่าใจมันดันไปดักซะก่อนอุ้ยจะเข้าอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนนั่งว่ามันจะเข้าแล้วใจมันใจมันหลุดออกไปตรงปลายจมูกค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นบ่อยๆนั่งไม่ถูกและนั่งนอย ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นอืมค่ะก็ก็พุทโธกับลมหายใจต่อใช่นะคะพระอาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องต้องสองอย่างดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธก็ได้อ๋ออย่าไปอย่าไปดูอย่างอื่นแ้ดูอย่างอื่นก็ไม่มีวันที่จะเข้าได้อืม ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นหนูลองฝึกแค่ดูแค่ลมหายใจโดยไม่พูดโทได้ไ้าอย่างนั้นใจมันจะคล่องคล่อพอพุทธโทหายก็กังวลใจอีกแต่แตอย่าไปอย่าไปให้อย่าให้ใจขาดดูลมไปเรื่อยๆนะต้องดูกังวลเหมือนมันแพงไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นค่ะเดี๋ยหนูจะจะพยายามใหม่ค่ะพระอาจารย์ มันเหมือนแบบเผอพอพอมันเหมือนมันเหมือนจะวูบมันก็หลุดไปดูความตะวืดนะค่ะพระอาจารย์ก็ไปกลับมาดูที่ลมค่ะอยากไปที่ไหนให้อยู่กับลมไปตลอดเหมือนกับเราลอยอยู่ในกระแสน้ําเชี่ยวแล้วเรามีไปเจอกิ่งไม้จับกิ่งไม้ไว้กระแสน้ําจะได้ไม่ได้หนึ่งตัวเราไปกับกระแสน้ำถ้าเรามีรยืึดความคิดมันก็จะหล่อรู้ใจให้เราไหลไปตามความคิดต่างๆ ค่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามเกาะให้แน่นเกาะ อ, อยู่แค่ปลายจมูกอย่างเดียวอ่าให้อยู่จุดเดียวน ะ, ะถึงแม้ลมจะหายก็ไม่ต้องเปลี่ยนที่เขารู้ว่ามันหายไปรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยก็ยังเหมือนเพ่งอยู่แถวแถวนี้ไปเรื่อยจุดเดามาจุดเดามีลมไม่มีลมง่มอยเป็เไรอย่าทิ้งจุดนั้นไปก็คือถ้าเรา คิดถึงปลายจมูกก็ปลายจมูกไปอที่มีสัมผัสไม่สัมผัสก็อยู่ที่ปลายจมูกไปเร<ๆ><ๆ>ื่อยๆใช่เป็นช่นจุดเดียวนะไปลายเลยนะอ๋อค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะคุณโยมโยมแจนจากเพชรบุรีเป็นยังไงน่ามาส ก, การค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์ ได้ผลดีไหมอ่าโอเคก็ถ้าเกิดได้ผลดีค่ะพระอาจารย์ก็คือแต่โยมมาสังเกตตัวเองว่าทุกครั้งถ้าเกิดว่าโยมนั่งสมาธิแบบคาดหวังว่าเออวันนี้ต้องสงบจะไม่สงบค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยเปลี่ยนใหนม่เป็นว่าอ่าโยมจะปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชากับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ จะสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันค่ะแล้วยมก็ไปปฏิบัติกายเป็นสงบเฉยเลยค่ะพระอาจารย์ได้ความอยากสงบมันเป็นตัวขัดขวางความสงบค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ยมตอนนี้ยมพิจารณากายอยู่ค่ะพระอาจารย์ตามหนังสือของหลวงตามหาบัวค่ะอืมดีค่ะได้ไม่หลงร่างกายจะได้ไม่โ ก, กลัวตาค่ะพระอาจารย์ทําให้เห็นร่างกายเป็นอ่าเป็นธาต อย่างที่อย่างอย่างที่อย่างทา่าทาสี่นะคะดีค่ะอ า, าจารย์นี่แหละคือความจริงที่เราต้องต้องการได้เห็นค่ะพอาจารย์วันนี้ <ừ. S 2> ก็ไม่มีคําถามค่ะอาจารย์ที่ปฏิบัติมาทุกสือทุกอย่างดีขึ้นค่ะพอาจารย์ทําให้รู้รู้เท่าทันกิเลสมากขึ้นค่ะพอาจารย์แต่ยังตัดไม่ขาดนะพระอาจารย์แค่รู้เท่าทันมันมากขึ้นค่ะพอาจารย์ก็ก็ใกล้แล้วนะ่ะถ้ารู้เท่าทันเดี๋ยวก็ตัดมันได้ทำหง อ่ะค่ะถูกครับู้อาารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะมารายงานตัวค่ะบู้อาวุโยินดีจ้ะขอบคุณค่ะคุณป้ยรับสมบครขอบคุณอาจารย์่ะอาจารย์เสียงไม่ค่อยดีเลยพูยใกล้ๆหน่อยนมันเ็ดดังหน่อยนะมัยังขาดขาดหหายเสงสัยโยมใช้สปิกร์เปล่าโอเคได้พอเปล่าได้แล้ว ได้ยินไหมอาจารย์อ่าได้ยินนะได้ยินนะอืออืออาจารย์สบายดีไหมสบายอืมโยมมาก็ปฏิบัติทุกวันค่ะโยมเข้ามาในงานตัวแต่ว่าเออ่ะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่สมบูรณ์แบบปฏิบัติไม่สมบูรณ์มาเมื่อวานก่อนนี้กับเมื่อวานนี้เพราะว่าโยมจะต้องเข้าไปทางโลกไปทําเอกสาร ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวโยมนะโยมก็หนักน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์เรื่องความเมตตามาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเพราะว่าโยมโดนกระแทกใบคนบางคนด้วยคําพูดทีนี้อโยมเป็นคนที่ว่าจะยอมยอมได้ทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่โยมยอมไม่ได้ก็คือจับโกหกคนได้โยมเป็นคนที่ไม่ยอมและพอดีว่าถ้าเป็นคนยุโรปด้วยไม่ใช่คนไทย ถ้าเป็นคนไทยก็โอเคเออช่างมันนี่น้องชาวไทยเหมือนกันเราไม่เราไม่ว่ากันใจว่านี่มันเป็นคนยุโรปและมันเป็นคนทางเอเชียด้วยแล้วเะยมพอจับโกหกได้และคือเขาพยายามที่จะเหมือนกับหมิ่นเราวยมก็เลยเอลมยมก็เลยใช้หลักฐานพูดให้ลูกชายยมดูว่าเนี่ยฉันจับโกหกคนได้ ลูกชายเพราะเขาพยายามที่จะบิดโยมกับลูกชายโยมให้ทะเลาะกันเนี่ยแล้วยมไม่ยอมไงคือคือมันก็เหมือนกับว่าโยมมีเมตตาแล้วแต่ว่ามันมันเกินลิมิตอะคือความใจเย็นของโยมอะมันยังยังไม่เยอะเกินเมันคือมันล้นเกินความใจเย็นของโยมอะพะโยมพูดไม่ถูกกับอาจารย์ทีนี้โยมก็เลยต้องดักต้องหวดกลับแต่โยมหวดกลับด้วยด้วยภาษาที่สุภาพ โยมก็เลยบอกว่าฉันเป็นคนจริงฉันไม่ชอบการโกหกข้าและไอยอย่างคือคือคือเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับการประเพณีของขอ ง, ของงานงานงานศกงานและทีนี้เขากลัวเราและเราก็เลยต้องอธิบายไปว่าคุณกลัวอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยกลัวอะไรถามว่าจะไปเอาผลประโยชน์อะไรหรอที่นี่เอาหรอกแค่จะได้คุณได้เอง ขอเงินมันมาจากขวบบนฟ้าเองแต่ว่าฉันไม่ได้ไปเรียกร้องหรืออะไรแต่ทีนี้มันมันเหมือนกับว่าเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งและเโยมก็เลยอธิบายให้เขาฟังไปว่าเอามาเอาม า, เอามาเล่าให้ฟังไหมเรือ่องอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเลยใช่เมื่อเพราะว่าบว่าโยมโยมแบบว่าเอ่าไม่เาให้คนอื่นเถอะไม่อยากจะฟังเรื่องแบนี้นะนะ เร่องไหนยากมาเล่ า, ากัยังไงเล่าพูดเรื่ปฏิบัติของเราดีกว่าอืมมันจะดีจะช่วยกันเรื่องของเขาอือโยมก็สวดมนต์ไหว้พระแต่ทีนี้โยมเวลาที่นั่งสมาธิของโยมหย่อนไปนิดนึงเพราะว่าโยมเอาเวลาไปทำเรื่องตัวก็พยายามนั่งให้มากขึ้นเลยนั่งให้มากขึ้นมันจะได้ปรงได้วางได้<ช>นะเวลาน้อยลงไปทุกวันนะพยายามเร่ปฏิบัติเนี่ย คืนต่อไปจะไม่มีเวลาปฏิบัติแน่ขวัญนะพระอาจารย์มันมันเหมือนเรื่องจริงอ่ะมันขวัญอ่ะมันขวัญแปลกๆอ่ะที่มันเหมือนกับเรื่องจริงอ่ะและยมฝวัญเห็นคุณนอ่ะคุณโอเคโอเคเอาตอนนี้ก่อนนะนะคะค่ะสาธุจ้าขอให้พระอาจารย์พระอาจารย์แข็งแรงค่ะอ่าขอให้คุณพูยหายโกรธนะหายเกลียดนะให้มีความเมตตามากๆไม่เกลียดไม่โกรธค่ะ กะโยมแบบแบบแบบฟาดหกไปเฉยๆคือปาบแบบปาบมานะครับอาจารย์แต่ไม่โกรธนะโอเคอ่าตู้จะคุณบันนอมออริกอนเซลล์มออริกอนก็ค่ะอันเดีาค่ะกำลังเอ่อ ปฏิบัติอยู่ค่ะแล้วก็ไปเจอศีลทุกวันอาทิตย์วันจันทร์ทุกวันหยุดที่ทําได้ค่ะแล้วก็มีญาติโยมมาจากยู่ถ้ามาปฏิบัติทำรู้ก็ได้มีโอกาสอยู่ปฏิบัติต่อจ้าค่ะหลวงพอ่อที่บ้านใชใช่เจ้ า, จาค่ะมีที่ภาคปฏิบัติไหมมีเจ้าค่ะมีมีกุฏิเป็นหลังที่เคยเป็นกุฏิของพระที่จําวัดอยู่แล้วก็พอดีว<า>่ามี กว้างคะ่ะมีสามห้องนอนอปฏิบัติได้ตลอดเวลาสถานที่กว้างขวางเนะจ้าค่ะหลวงพอ่อจะอยากจะปฏิบัติข้างนอกหรือข้างในหรือในในโบสถ์ก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็มีที่ตั้งวัดอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองค่ะเป็นเป็ น, เปนาเก่าเจ้าค่ะหลวงพอ่อก็สถานที่กว้างขวางมากปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยเจ้าค่ะ อย่างหนูหนูก็ถ้าที่วัดมีงานก็จะต้องช่วยท่านจะเอาวาดช่วยดูแลญาติโยมที่มาด้วยทันก็จะคอยเรียกใช้อยู่แล้วก็หลังจากเสร็จติจตัวเองก็ปฏิบัติต่ อ, ตตอจ้ะค่ะหลวงพ่อแต่ก็แล้วก็ถ้าเกิดสุขภาพสามีไม่ค่อยดีเราก็จะ อ, อยู่ปฏิบัติที่บ้านด้วยเอาทุกที่ให้เป็นธรรมจ้ะค่ะหลวงพ่อก็มีธรรมดาค่ะ มีลมลุกคุกคานแต่ก็อยู่กับตัวเองแต่ถ้าอยู่วัดนี่เข้าแล้วก็สงบไวยเจ้าค่ะเข้าจนไม่อยากออกยังติดอยู่เจ้าค่ะแต่ก็ได้ได้พลังเจ้าค่ะหลวงพ่อน้อยายามทาบ่อยๆทาให้มากๆาเจ้าค่ะน้อมน ำ, นำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าจากหลวงพ่อจากพระ อ, อาจารย์ไปปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอเจ้าค่ะ อ่าสาธุจะ้นนะกลับมามาตการเจ้าค่ะอ่าคุณตุกตาอย่งคุณตุ๊กตาไปที่ไหนยังไม่ได้ไปใหมยนะโอเคค่ะกลับมามารารค่ะอยู่อตอนนี้อยู่ที่เพชรบุรีค่ะค่ะอาจารย์อยู่ที่เพชรบุรีนะ รอบที่แล้วได้มีโอกาสเข้าเข้าคุยกับพระอาจารย์อยู่เจ้าค่ะแต่ด้วยความที่ลูกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเกินไปแล้วก็เลยประมาะจนพลาดที่จะถามคําถามตอนที่ควรถามพระอาจารย์ไป อ, อ่ารอบนี้ลูกมีคําถามจากพระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะ อ, อ่าลูกเป็นผู้ที่ยังป่วยอยู่ยังไม่ได้มาซึ่งสมาธิฏฐิลูกเองอยากเพียรปฏิบัติให้ได้มาซึ่งสมาธิฏฐิ เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์สแสดงธรรมแก่ลูกเจ้าค่ะสมาธิเทปเป็นยังไงนะสมาธิเทปเอ่อผู้เห็นตามความเป็นจริงอ๋อตามเป็นจริงอ่ะพราะเจ้าบอกให้ดูร่างกายเราก่อนดูตามความเป็นจริงร่างกายเราต้องแก่หรือเปล่าเ้างแกบไข้ได้ป่วยหรือเปล่าเจ้าค่ะเราตายหรือเปล่าเจ้าค่ะ ให้พยายามมองให้เห็นตลอดเวลาไม่ให้ึลืมพระเจ้าสอนให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้นี่แหละคือสมาทิฐิถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเข้าใจไหมถ้ายังทุกข์กับมันอยู่แสดง ว, ว่าเรายังไม่เห็นเข้าใจะไหมตอนนี้เห็นหรือ ย, ยัง เห็นอยู่ค่ะแต่ก็ยังทุกข์อยู่บางครั้งยังทุกข์เพราะว่านะลูกเองก็ยังบางครั้งก็ไม่มีอุบายเป็นเครื่องออกเจ้าค่ะถ้าทุกข์อยู่แสดงว่าจิตเรายังไม่สงบพะะอต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นนะคะเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วแต่เรายังไม่สามารถทําใจให้ไม่ทุกข์กับมันไม่ได้วิธีทําใจก็ต้องทับใจให้สงบเป็นสมาธิ พอใจเราสงบเป็นสมาธินะพอเรามาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยมร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่ทุกนี่แหละคือสอมาธิเบื้องต้นเราควรจะศึกษาและปฏิบัติให้ได้ก่อนเข้าใจไหมแล้วค่ะแล้วอันนี้ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมได้ถ้าร่างกายแก่ทุกข์ไหมทุกข์แค่ไถ้าขาดจริงก็ ก็ทุกแต่ว่าเราหนูเองก็จะต้องเรียนรู้และรู้เห็นตามความเป็นจริงค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเจ้าค่ะอืมเราต้องทอมใจให้ได้ต้องยอมรับความจริงให้ได้ไดคใจเราต้องไม่ทุกข์กับมันนะถ้าเราไม่ทุกข์กับมันเนียแสดงว่าเรามีสมาทิเฐนะิแล้วโอเค ก็ค่ะหลวงตาเอาสมาธิข้อนี่ทําให้ได้ก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังเอาแน่หนูไม่ทุกเล่าไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายนะ <c oughs> ได้สิค่ะฝึกทําทเป็นการบ้านสิค่ะตลวงตาข้อสอบด้วยนึ่งตัวสอบด้วยว เ, ปเป็นข้อสอบเลยเพราะวะ่า ลูกเองถือว่าเป็นยังเป็นผู้ป่วยอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าตนเองปฏิบัติยังไม่ได้มาซึ่งสมาธิฏิเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วหนูก็อ่าบอกคระอาจารย์ไปแล้วว่าจุดมุ่งหมายของลูกก็อย่างน้อยภพชาตินี้ก็ขอให้ได้เข้าสู่กระแสธรรมขั้นต่ำแล้วก็คือโซดาบันเจ้าค่ะนี่แหละถ้าทำสามข้อนี้ได้ทําทก็เข้าได้ถ้าทําความแก่ความเจ็บความตายได้ก็เข้าได้เจ้าค่ะ แบบว่อัญญายกนธัญะแล้วบอกสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านหมายถึงร่างกา ย, ยใช่ไหมร่างกายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหรือเปล่าอืมีการตายไปเป็นธรรมดาหรอเปล่เป็นธรรมดาเจ้าค่ะอะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรแปลกมาแปลกหรือหน้าหน้าวาดกัวชเช้นอย่างไรมันเป็นความธรรมดา เนะเราไม่เห็นว่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะเพราะเพราะว่าตอนคือหนูมีความรู้สึกว่าเพราะว่าด้วยเราไปยินดีกับการเกิดมากกว่าความตายเราก็เลยผู้คนทั่วไปก็เลยคิดว่าความตายอ่ะมันไม่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของความทุกข์เพราะเรานั้นยินดีในการเกิดมากกว่า ยินดีในการตายใช่ไหมเจ้าค่ะได่แล้วยินดีในการอยู่ด้วยพอ เ, เกิดแล้วก็อยากยังอยู่ไปเรื่อยๆใช่ใช่เจ้าค่ะเราต้องเราต้องเปลี่ยนใจว่ายินดีไม่ได้ยินดีแล้วทุกเจ้าค่ะต้องยินดีกับความตายแล้วมันจะไม่ได้ไม่ทุกข์ก็ยังเมื่มอเราเจอความตายอ้อเราได้สิ่งที่เรายินดีแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะแฮปปี้เค่ะ เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราแนั้นเองให้เป็นไปตามความเป็นจริงออันนี้ทัศนคติของเรายัางมองเห็นร่างกาเราต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายมันก็เลยเป็นทุกข์พยายามพร่ำสอนใจด้วยการทํามสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะใจก็จะยอมรับความจริงได้ เจ้าค่ระอรย์ฝึกสมาธินะถ้าไม่มีสมาธินี่อย่างทําใจไม่ได้นะเจ้าค่ะพยายฝึกนั่งสมาธิดูรลมาหายใจเข้าออกทําใจให้นื่งให้เป็นอุเบกขาพอนื่งแล้วพอพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจเราจะไม่ไม่ทุกข์อีกต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหม ก็เดี๋ยวลูกกลับไปปฏิบัติให้มากแล้วก็จะเข้ามาร า, ายงานผลเนะรายงานผลเป็นรายงานผลค่ะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยก็จะเรียนสอบถามพระอาจารย์ให้ความแก่ลูกเจ้าค่ะอโอเคอ่นตอนนี้ก่อนนะอาแล้วว่าสักการเจ้าค่ะอ่ะจาจ้ไปทีค่คณปียพัฒน์ยช่ปิยพัฒน์ับ จำชื่อไม่ได้ว่าเปลี่ยนชื่อในเ น, นต็นตเนัตตาครับนมัสการ์รั อ, อาจารย์เปิดวันนี้มไม่ได้เปลี่ยนชื่อในในซูมครับพระอาจารย์ครับให้เวลานะเพ้นจำหน้าได้ครับครับต่อมาร่วงฟังธรรมครับแล้วก็มามาเอากำลังใจในการไปปฏิบัติต่อต่อไปในรายสัปดาห์ครับพระอาจารย์ครับก็เห็นทุกๆกท่านกัลยาณกัลยาณมิตรทุกท่านปฏิบัติกันก็มีกำลังใจมากขึ้นครับอยังปฏิบัติอยู่นะ ก็ปฏิบัติคพระอาจารย์พยายามอยู่ในเศอทาตามขั้นตอนค่ะแต่ว่าพยายามพัฒนาสติค่ะพระอาจารย์พยายามมีสติทั้งวันทั้งคืนนะค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะขอพระอาจารย์ทัดขันถินงโซครับคุณบสวัสดิ์เนีก็ทุ่มบานี่บามอะไรไหมไม่มีเจ้าข่าท่านพระอาจารย์นมักการท่านพระอาจารย์เจ้าข่า เปนแบบนี้คนนุณหมอนัทธวุฒิเจ้าค้ณหมอตอนนี้ยังทํำงานอยู่เหรออ๋อครับก็ยังทํางานอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นนกลับกลับมาบ้านแล้วครับอะบบ<ม>ออก บ, บ, บช่วงก่อนหน้ามีเดินทางแม็เชอร์อะไรเหมือนเดิมครั บ, บก็ยุ่นิดหน่อยแต่ว่าปลายปีเดี๋ยวช่วงนี้ก็เริ่มไม่รับ แล้วก็ปฏิเสธไปหมดแล้วครับเทงานเราเริ่มเงานโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับถ้าไม่เรมันก็ไม่มีวันจบนะมันเข้ามาไม่แน่ใช่ครับแล้ก็ดูแล้วไปเรื่อยๆมันก็มันมันถอยลงเรื่อยๆครับอั่นี้ไม่ค่อยหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปปีก็คงอาจจะได้ออกเพื่อได้ออกปฏิบัติครับอ่าจะได้ปฏิบัติมากขึ้นนะใช่ครับว่าถ้าไปทางนี้ก็ดูแล้ว มันก็ไ ม, ม่ไม่ก็ไม่คืบงานอะไร <c oughs> ใช่ครับไม่ไม่คึบงานไปหลังไ ม, ม่มาก็ได้ ส, งสง่งส่งใช่ครับไม่หลังก็ไม่ไม่เหลืออะไรเลยครับผ <c oughs> มว่า <c oughs> ถ้าไปต่างนี้เพราะมันมันมีงานเอวิงอ่งอย่างสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปญี่ปุ่นกลับมาเลคเชอร์ไม่เลยเสียวินไปวินมาไม่ไม่ไหวไม่ไหวมันทำไม่ได้ลอืมเดีงลองลองลองอีกทางครับดะครับอ่ารู้จักขีดเส้นตายแล้วครับอ่า ครับใช่ครับใช่ครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยมีอแต่ยังทาไปถึงตุลาเลยครับแล้วก็<ม>ต้นพฤศจิการแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้มาแล้วอะไรเขามามาเชิญก็บอกไขอพักก่อนหยุดช่วงนี้เ ค, เครียดงานครับแล้วเดี๋ยวคงหาจังหวะอาจจะได้ปฏิบัติแบบแ ย, ยาวๆสักอลไรเดี๋ยวดูว่าเป็นอย่างไรนะเป็นศรัทธาอย่างเดียวครับเพราะว่า<ม>สติสมาธิไม่เหลือแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราศรัทธาแล้ว มันก็ไม่น่ายากกัน่าจะทําได้มันะครับต้อต้องหลอกชัดตานี้เป็นตัวผ่านนั้นนะครับนรัครับเพะว่าเราเคยเห็นความสงบมาก่อนนี้ถ้ามั น, มนทาแล้วมันมันก็คงจะกลับมาเดี๋ยวไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะมีคุณค่านอกของความสงบครับนะครับคนะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็สร้าความสงบไม่ได้เลยครับนครับนะคับเรเห็นอยู่ครับเคยเคยตอนที่ไปไปบวชเดือนหนึ่งมันก็ได้ ออกมามันก็ไม่ค่อยไปสนอะไรแล้วก็ใจมันก็สงบแต่ตอนนี้มันก็ยังยังรู้สึกจําได้แต่ว่าไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนนั้นบวชที่ไหนไม่มันมีถ้าเราไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลครับมะตอนนั้นบวชที่ไหนบวชได้เกือบน่าจะเจ็ดปีแล้วไหมครับทตรวจถวายพระเจ้าอยู่บววครับนบวชที่ที่วัดไหนที่พระอาจารย์ล่ะครับที่มาอยู่บนยอดเลยจาไม่ได้ใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็ไปลองไปลุยดู ก็ได้อะไรเยอะครับรู้สึกยังยังประทับใจอยู่ในใจครับนะฮะเดี๋ยวมาเราอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมครับนอ่าได้ครับอ่าคุณคุณนิ่งแชร์คุณนิ่งพัทยาอ่าพระอาจารย์ค่ะอ่ามีอะไรไหมกอไม่ดีมีอะไรครับะอาจารย์ก็ได้เยอะแล้วจากอ่า หลายๆคำถามนะคะก็คำตอบจากพระอาจารย์ค่ะก็จะปึกปฏิบัติต่อไปนะคะพระอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรปึกเลงไปด้วยปึกเลงสองตัวไปด้วยเอาลิงสองตัวไปด้วยดีขึ้นมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่านองเฉยๆได้นะ่ะเขาก็รู้เลยว่าเขาจะต้องทาอะไรอะคะ่ะตอนแรกไปเนี่ยโอ้โหลิงจริงๆค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นเยอะแล้วก็รู้ว่าจะทาอะไรยังไง แต่เบรกไม่ทันตรงที่จะไปถวายพระอาจารย์ไม่ฟังเลยเป็นจัดการมามเขียนทําอะไรเองทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีขนมไปให้ปาด้วยเนี<ม>่นั่นแหละค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้เขาก็มากราบพระอาจารย์แล้วก็ไปนอนแล้วค่ะลิงตัวตัวเล็กอะค่ะใ<ม>จค่ะเขาบอกว่ามาทูจ้าโกดเขาจเริยกทูจ้า่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ทูจ้า<ม>แล้วก็พาสวดมนต์ก่อนนอนค่ะพระอาจารย์ดีขึ้นมากค่ะ ก็ไม่มีอะไรครับหนูก็อ่าปฏิบัติ ต, ต่อไปครับอาจารย์เออมีมี ม, มีมีคําถามหนึ่งอยากจะถามพระอาจารย์นิดนึงครับเพราะว่าเวลานั่งไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับแขนมือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนบ ว, บ ว, บวมๆขึ้นไปอ่าไม่เป็นไรหรอกมันมันอุปทานจิตใจนะปวดแต่งก็ไปใช่ไหมคะพระอาจารย์หนูก็ไม่ได้สนใจหนูว่าไมไ่สนใจเย็นมันจะชามาหลอกแล้วแน่ บางทีจะพองบางทีตัวลอยขึ้นมาอะไรมันเป็นแค่<ช><ช>อุปทานนะฟังก็รู้อยู่เียพอพอเลิกมามันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่มไม่มีมมอะไรอ่านแล้วต้องรู้ทันมันเองนี้ก็คือตีเลนมาคอยหลอกเราให้เราเสียสมาธิอ๋ออาจารย์หนูก็ไม่ได้สนใจหนูว่าอ ะ, อะไรก็ช่างแล้วก็ไอ้นี่ไปโตของเราอะค่ะอาจารย์ไม่ได้สนใจค่ะก็ค่ะไม่มีอะไรค่ะหนูก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะนับจากปฏิบัติค่ะอาจาก นะเจาค่ะพระอาจารย์ขอบท่ า, า, า, าแม่น้องเหรินเชิญแม่น้องเหาารินขอสาธุค่ะอาจารย์ได้ยินหมคะได้ยินจ้แม่ได้พระอาจาะอาจารย์ัญญายัญญายหนูไม่ค่อยดีเลยัญญายหนูเอาระอาจารย์ได้อินหนูไหคะ อ่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างดังบ้า ง, าางค่อยบ้างอม่แ<อ>้มีอะไรไหมคอหนูแค่ถามะค่ะพระอาจารย์ว่าอ่าเวลาความรู้สึกอาหารในการปฏิบัติะค่ะพระอาจารย์คืองงเหมือนเป็นอากาศค่ะแต่ว่าเวลาแบบจะชอบมันติดสมาธิไปหือเ ป, ปะอาอาจารย์คือ พอเปิดตามามันเกิดความรู้สึกว่านั่งสมาธิมันมีความสนุกมากกว่าเปิดตาเนี่ยค่ะอาจารย์อ่าไม่เป็นไรปิดสมาธิไม่เสียหายตรงไหนอาจารย์ก็เล ก, ก, ก่อ้โหพอดีหนูวันนี้หนูไปหาหมอค่ะอาจารย์ที่ว่าผ่าตัดใบหน้า ซ่อมเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดที่มันขานะคะแล้วทีนี้ประเด็นคือมันเริ่มฟื้นตัวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะเหมือนไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มสปาร์คสมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะเกิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอบอกว่าพยายามกระตุ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์มันเหมือนมีความรู้สึกคือตัวหนูเองชอบทดลองอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์แล้ว หนูก็เลยเอาร่างกายที่เหลือยลองลองดูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เรียนมามันแค่คําเขียนนะคะลองเป็นเองแล้วมันก็ได้รู้อาการอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็เลยได้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะ่ะก็เลยปฏิบัติด้วยแล้วก็ประสบการณ์ผ่าตัดเยอะด้วยอะค่ะอาจารย์ก็เลยได้รสชาติเลยค่ะอาจารย์อ่าอย่ า, ะะป า, าไปชุกเขมรแล้วกันใจเราเฉยแล้วกันใช่ค่ะ ก็ต่อไปครอเคมที่จอยต่อจยพระเทียลูกชายยังไม่นอนเนะค่ะยังไม่นอนเขาบอกเดี๋ยวหนูหอเก่าว้ากันเลย่าอาบน้เพิ้งแต่งตัวอ่า อ, อยาแก้ผ้าออกมานนะ้าเร็ว มาลแลอ้าวกลับพระก่อนไปนอนไป <c oughs> กลับพุทโมตัมโมสังโฆกลับอะัมโ <c oughs> มโสังโฆอ่าวไปนอนหลับฟันดีแล้วครับ <c oughs> มีอะไรไหมจอยของหนูมีมีค่ะแต่ว่าสู้ด้วยสติอยู่ สู้ดวยความเมตตาต้องให้อภัยสู้คนต้องใช้ความเมตตาสู้ให้อภัเพราะว่าทุกอย่างมันยึดไม่ได้ใช่ไหมคะห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ดีที่หนูมีธรรมะค่ะเดี๋ยวาห้ามใจ้วไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบ้าไปกับท้อค่ะอาจารย์รู้เลยเดี๋ยวหนู ไปรมาเหมือนเดิมอ่โอเคอ่อาใครตาบคุณฉนั้นดาฉะนั้นนเชิญกับ <Yeah. S 3> นรมาศักดิ์พาจาร์วันนี้<า>อยู่กรุงเทพค่ะ <Okay. S 3> ยังไม่ได้ไปศิงคาปเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะพาจาร์ okay. เพราะายังยังไม่มีจังหวะไปค่ะพาจารย์ค่ะแต่อยู่บ้านอยู่บ้านก็ได้นั่งอยู่ค่ะแต่นั่งดึกนิดนึงค่ะแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปค่ะา้าจาันเพอมีนัดลูกค้าพา่าวพาลูกค้าไปใส่บาตรอยู่ค่ะอืมมีอะไรใช่ไมไม่มีอะไรค่ะา้าจาย์ค่ะอันไหนก็มาทักทายนะมารายงานตัวค่ะผอาจาย์ค่ะแล้วพอพ อ, อมีคนมาเริ่มเริ่มถามธรรมะบ้าง น, นคะคะผอาจารย์ลูกก็แนะนําแบบที่ที่ลูกได้ผ่านมาให้เขาได้เริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะาอาจารย์โดยส่วน ก็ลูกๆ ก, ก็แนะนําไปอย่างนั้นนะคะลูกก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าเขาจะนําไปทําหรือเปล่าอะค่ะอืมแต่แต่พอไปเจอกันอีกทีเขาก็เขาก็ทํากันนะคะบางคนอเนี้ยค่ะเขาก็มาเล่าต่ออีกดีเป็นธรรมทานการให้ธ ร, รมมาชนะการให้ทั้งปวกค่ะก็พอได้นะคะพระอาจารย์แต่อย่าอย่าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนคนนะ <laughs> ถ้าเขามาถามก็บอกเขาได้แต่ อันนีย้ยังเป็นอาจารย์ไม่ได้เรต้องสอนตัวลอยให้ให้หมดก่อนค่ะผ้ า, าจา์ค่ะ<ม>ก็หกลูกก็คิดเยอะเหมือนกันค่ะว่าจะพูดอะไรออกไปค่ะ<ม>ต้องไต่ตองพอสมควรค่ะผาจานใช่เวลาไ้สอนก็ผิดแล้วมันก็จะทําให้เขาแย่กันได้เอะลูกเอาแค่เริ่มต้นพอค่ะ<ม>เริ่มต้นให้กับไปต่อเองสอนในส่วนที่เรารู้นะี่ค่ะค่ะผอาจานค่ะ<ม> ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์น้อมกราบค่ะพระอาจารย์โอเคอันนี้คุณหล้าแช์พินมีคําถามท่านไหมครับกราบนมรสการค่ะพระอาจารย์มีคําถามจากทางเฟซบุ๊กและฝาบถามทั้งหมดเจ็ดคำถามเจ้าค่ะสามคำถามแรกเป็นคําถามฝากถามเช้ค่ะกราบนมรสการพระอาจารย์ครับหลวงตาพระมหาบัวท่านเทศว่าให้ตั้งภาพอสุภะไว้ต่อหน้า ดูซิว่ามันเคลื่อนไหมถ้ามันนิ่งแสดงว่าต้องทำต่อถ้ามันเคลื่อนมันจะเคลื่อนเข้าหาใจคำถามคือการทำปฏิบัติแบบนี้ถือเป็นวิปัสสนาหรือสมถะเหมาะกับสำหรับนักภาวนาขั้นไหนครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปถามท่านจะดีก่าคาถามต่อไป การบวชชีจําเป็นต้องมีพิธีการบวชที่วัดและจําเป็นต้องอยู่วัดไหมคะก็มีบวชแบบสองแบบบวชแบบเป็นชีบ้านกับชีวัดอันชีบ้านก็ไม่ต้องไปบวชใครนะบวชกับตัวเองก็ได้โนโหัวแล้วก็ซื้อสินเปล่ไปก็เป็นชีบ้านไปถ้าเป็นชีวัดก็ต้องไปบวชกับวัดที่เราจะไปอยู่ด้วยคำถามต่อไปจากคุณเก่ง กลับนมัสการพระอาจารย์ครับมีนกตัวหนึ่งกําลังจะกินไส้เดือนเมื่อเห็นผมเดินเล่นอยู่ใกล้ๆนกก็บินหนีไปผมช่วยชีวิตไส้เดือนโดยการนําไปปล่อยแต่ก็ทำให้นกไม่ได้กินไส้เดือนตัวนี้เป็นอาหารรบกวนพระอาจารย์สั่งสอนเรื่องบุญและบาปที่อาจเกิดขึ้นในการกระทําครั้งเดียวกันครับว่าสามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับ เราเราไม่ได้ทำบาปเราเราช่วยชีวิตตัวตัวนอนตัวไส้เดือนนี่เรียว่าเป็นบุญส่วนนั้นส่วนนกไม่ได้กินมันก็ไม่เป็นอะไรเนี้ยมันก็ไปหาที่อื่นกินได้คั้าต่อไปจากคุณอ้วนทำไมตีระคังตีกรองถวายให้วัดจะได้อนิสงอย่างไรครับก็ได้บุญได้ความสุขใจนะ คำถามต่อไปจากคุณทุกน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาฟังธรรมแล้วนึกถึงพระแล้วมีความสุขน้ำตาไหลและเบิกบานใจมีความสุขความรู้สึกแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆจะกลายเป็นกิเลสไหมคะไม่เป็นหรอกมันเป็นเบตตความสุขที่ได้จากการฟังธรรมไม่เสียหายตรงไหนไม่ต้องกลัว คำถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแฟนถามหนูว่าไปภาวนาบนเขาใช้เงินประมาณกี่บาทหนูบอกว่าสี่พันบาทแฟนติเรื่องนี้และงานก็ต้องช่วยกันทำมาหากินไม่ใช่ไปหลายวันชักจะไปบ่อยแล้วนะหนูพยายามภาวนาที่บ้างแต่แฟนเขาทำงานตลอดถ้าอยู่บ้างต้องช่วย พอจะมีเวลาตอนเย็นก็ต้องสู้กับความง่วงเพราะเพลียจากงานและแพ้กิเลสพอทำได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าไปบนเขาหนูจะไม่อยากลงเลยค่ะคำถามคือแฟนจะบาปไหมคะที่ไม่ให้เราไปถือสีงภาวนาและขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเรื่องนี้ค่ะอ๋อเขาไม่บาปหรอกเพ็นดว่าเขาไม่ได้บุญเพราะเขาไม่รม่วมมโนมทนาบุญกับเรา ถ้าเขาอนุโมทนาชื่นชมเยนดีกับการในปฏิบัติธรรมเขาก็จะได้บุญเขาจะได้รับความสุขแต่ถ้าเขาไม่สนับสนุนเราก็เพียงต่เขาก็ยังไม่ได้ทําบาปนะครับยังไม่ได้ทําบาปเพียงใดจะไม่ได้บุญนั่นเองเวลาใครก็ทําบุญถ้าไม่มีอะไรเสียหายนะก็ควจะอนุโมทนาสนับสนุนเขาไปจะดีกว่าผมมว่ามีเ้ า, นะาโอเค ถาท่านหมดท่านผู้เข้ามาคืนนี้ก็หมดตัวนี้ท่านก็คิดว่าพอสมควรสำหรับคืนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติก้าวขามสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิ